จเจรินพรท่านผู้ที่มาปฏิบัติธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันทีน 43, ่ส3บสาเมษายนเป็นวันสงกรานวันสงกรานก็มีการลดน้ำผู้ใหญ่แล้วก็พวกเด็กๆก็สนุกสนานกัน ทีใ่ในเรื่องของการรดน้ำผู้ใหญ่ก็ต้องมีการขออาโหสีกรรมเรียกว่าขอกมาแน้โดยส่วนมากขอกมาเนี่ยก็ไปขอกมากับคนตายอะไรอย่างนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรขอกมาตอนที่เป็นๆ น, นี่ในการขอกมา ก็เกี่ยวกับการพูดอีกนั่นแหละเพราะเราไม่เข้าใจคำว่ากรรมคำว่ากรรมการขอขมาเมื่อตั้งนโมสามจบก็ให้ว่าตามในหัวหน้านก็จะว่าแล้วคนที่นั่งข้างหลังก็ว่าตามกัน กายกรรมสามวจีกรรมสี่มนโนกรรมสามกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่านทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีในที่สำคำัญสำคัญอยู่ที่คำว่ากรรม ที่พูดมาแล้วสองคืนที่ผ่านผ่านมานั่นแหละว่ามีเรื่องของกรรมที่ติดเข้าไปด้วยแต่เราไม่เข้าใจกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มโนกรรมสามเมื่อคืนก็พูดแต่ไม่ได้บอกว่ากรรมกายกรรมกรรมแปลว่าการกระทา การกระทาทางกายชื่อว่ากายกรรมการพูดทางวาจาชื่ว่าวจีกรรมการคิดทางใจชื่ว่ามนโนกรรมกายกรรมสามปานาธิบาตนี่ตํำกับกายไหมอธินนาทานขามโมยกับมือกับอะไรไหมกามเมถุมิจฉาจาร ประทำทางกายไหมนี่แหละให้ไปรู้เท่ว่านี่แหละคือกายกรรมนี่คือกายกรรมมันไม่ได้ไปไหนหรอกมันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละทีนี้พอไปคำว่าวจีกรรมวจีกรรมก็คือข้อมูลสาวาดนั่นแหละพูดเท็จหนึ่งพูดจ่อเสียดหนึ่งพูดคำหยาบหนึ่ง พูดเพอเจอหนึ่งนี่สี่หนึ่งหนึ่งนั่นนั่นวาจีกรรมทีนี้มโนกรรมคือความคิดคิดมุ่งร้ายหนึ่งคิดพยาบาทหนึ่งคิดเบียดเบียนหนึ่งกายกรรมสามวาจีกรรมสมโนกรรมสามนั่น ทำทางกายชื่อว่ากายกรรมพูดทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมคิดทางใจคิดดีคิดร้ายชื่อว่ามโนกรรมนี่สิ่งที่เป็นกรรมนี่มาจากไหนนี่ที่พูดผ่านไปแล้วทั้งสองคืนนั่นกรรมนะ่ะมันมาจากไหนกรรมมันมาจากตัวกูตัวกูที่มันเป็นอวิชชานะเห็นไหม ตัวกูที่เห็นปิดคิดปิดพูดปิดทำปิดตัวกูที่ไปเอาจิตที่ประกอบด้วยความโง่เอามาเป็นตัวกูพอจิตนั้นโง่มันก็ทำโง่พูดโง่คิดโง่นั่นแหละคือตัวกูทางนั้น แต้วันเลยก่อกรรมนี้กายกรรมวจีกรรมนี่ก็มโนกรรมนั่นเลยกรรมทีนี้กรรมกายกรรม3ามวัจจกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมมันเกิดขึ้นมาลอยๆอยไม่ได้มันต้องอาศัยเหตุเหตุของกรรม ก็คืออวิชชาคือวิช า, ออ า, ชาการดับกรรมต้องดับที่อวิชชาเหตุให้เกิดเครื่องมือในการที่จะดับกรรมก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรยองแปดแล้วจึงจะดับเหตุให้เกิดกรรมได้ว่าดับเหตุให้เกิดกรรมตัวกรรมเกิดสังขารทั้งสามมันก็จะดับ เพราะเหตุมันดับทีนี้เราก็จะพูดกันว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรนี่แหละกรรมกายกรรมกาดจีนสามข้อว่าจีกรรมข้อมุสาวาตมนโนกรรมคิดประทุสร้ายคิดปยาบาดคิดเบียดเบียนในเรื่องของความคิด เรียกว่ามาโนกรรม <c oughs> นั่นคือกรรมทีนี้การที่จะลบล้างกรรมก็ต้องฆ่าตัวอวิชชานั้นให้ตายถ้าไม่ได้ฆ่าตัวอวิชชาตัวเหตุได้เกิดกรรมจังขารมันทำอะไรไม่ได้เพราะตัวผู้บังคับบัญชาอยู่ที่ตัวอวิชชา อวิชชาเป็นปัจจัยเห็นไหมเป็นปัจจัยถ้าให้เกิดสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขา ร, าา ส, ขารสังขารก็คือการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาการพูดทางวาจาการคิดทางใจมันก็เลยเป็นเป็นอวิชชาหมด คือมันเป็นตัวกูหมดลงมาข้างล่างเนี่ยมันตัวกูหมดตัวกูทำตัวกูพูดตัวกูคิดทีนี้มันทำผิดพูดผิดทำผิดก่อกรรมทีนี้มันก็ก่อกรรมในฐานะที่มันไม่มีศีลเห็นไหมมันไม่มีศีลก็ปานาติบาสขาดไป ก็อาทินนาทานขาดไปก็กาเมทุมิจฉาจาร์ขาดไปก็มูสาวาตพูดเท็ทพูดจอดเสียดพูดคำหยาผู้เพิรเจอขาดไปทีป่ใ น, ในีน่ในด้านในด้านใจในด้านใจก็คิดประทุษร้ายคิดปยาบาทคิดเบียดเบียนนี่นี่เรียกว่าตัวอวิชชากนะิเลสกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรม พอทำกรรมแล้วก็ได้รับผลกรรมก็เป็นอน่ามันหมุนอยู่อย่างนั้นเพราะกิเลสมันยังอยู่มันมีพลังมากกิเลสกรรมวิบากวิบากนะแปลว่าผลผลของกรรมกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมันหมุนอยู่อย่างนั้นทีนี้เราต้องการที่จะแก้กรรม เราต้องแก้ที่เหตุคือตัวอวิชชาอย่าไปเอาจิตที่ยังไม่ได้ฝึกเอามาเป็นตัวกูถ้ามันฝึกแล้วมันมีวิชามันมีสติปัญญากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหายหมดมันก็หายหมดเพราะไม่มีตัวกูผู้ทำ ไม่มีตัวกูผู้พูดไม่มีตัวกูผู้คิดหายหมดเพราะอาวิชชาดับสังขารดับตัวเหตุให้เกิดกรรมมันดับพออวิชชาดับตัวกูตัวผู้กระทำกรรมมันก็หายหมดตัวกูนั้นหายไปเหลือแต่ สติปัญญาเป็นผู้กระทมเป็นผู้พูดเป็นผู้คิดนี่ให้เราเข้าใจคำว่ากรรมอย่าไปโทษกรรมให้เห็นกรรมอยารู้จักเหตุเกิดของกรรมแล้วก็รับศีลวางธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะฆ่า ข้าอาวิชชาคือตัวต้นตอของกรรมที่นี่ที่พูดกันว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรคือตัวจิตโง่ที่มันเป็นอวิชชานั่นคือตัวเจ้ากรรมนายเวรแนีแ่ก็มันให้ทํากรรมทีนี่ปฏิจจสมุปบาทย่อๆกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรม ทำกรรมแล้วก็ได้รับผลกรรมพอได้รับผลกรรมแล้วก็มันยังไม่พอมันยังอยากอีกมันเกิดอวิชชามันเกิดตัณหามันเกิดอุปาทานขึ้นมาอีกมันก็ทํากรรมอีกพอเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดอวิชชาอีกเกิดโง่ขึ้นมาอีกพอเกิดกิเลสมันก็ทํากรรมอีกคือสังขารทําทางกายพูดทางวาจาคิดทางใจ ก็เลยเป็นกิเลสกรรมและก็ผลของกรรมคือความทุกข์ผลของกรรมเนะ่ยคือความทุกข์กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเราไปดูที่ปฏิจจสมุปบาทตัวต้นตัวต้นตัวต้นก็คืออวิชชาตัวที่สองก็คือสังขาร ตัวต้นนั่นตัวที่หนึ่งคนแก่ตาบอดแล้วไอเด็กสารกจูงจูงไปไหนก็ไม่รู้นั่นคืออวิชาอาวิชาจิตโง่จิตโง่งมันบอดมันบอดเพราะอะไรเพราะได้ไม่ได้ปฏิบัติตามอริอมักมีองค์แปดตาปะยะปัญญามันบอดจากุงอุตาปาทิไม่เกิด ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้เพราะไม่ได้ปฏิบัติให้เกิดปัญญาให้เกิดสีให้เกิดสมาธิขึ้นมาเขาก็เลยเปรียบเป็นภาพคนแก่ตาบอดแล้วก็ให้เด็กจูงให้เด็กจูงมันก็สเสปดสปาดเด็กที่จูงก็ไม่รู้ไอ้คนแก่ก็ตาบอดนี่ นี้นั่นแหละคือเจ้ากรรมทั้งเจ้ากรรมแล้วก็ทั้งนายเวรด้วยเจ้ากรรมแล้วก็นายเวรทีนี้เราคิดไม่ดีก็คิดไม่ดีคือจิตอะที่คิดไม่ดีคิดไม่ดีเพราะแต่รับอิทธิพลมาจากเจ้ากรรมนั่นแหละพอคิดไม่ดีแล้วก็ทําไม่ดีเมื่อทําทไม่ดี พูดก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีมันไม่ดีหมดทีนี้จิตจิตจิตคือตัวความรู้ตัวรู้จิตเน่ยคือตัวรู้ทีนี้ตัวรู้ตัวนั้นรู้ผิดรู้ผิดรู้ผิดก็เป็นจิตอวิชชาพราะจิตอวิชชาจิตตัวนั้นไม่ได้ฝึกเราจับออกมาใช้งานดีนี้พอเอาไปใช้งานมันก็คิด จิตนี่คือตัวรู้แต่ว่ารู้ผิดมันยังรู้ถูกไม่ได้มันไม่ได้ปฏิบัติตามอรียมรคไม่องแปดจากขงอุตป า, าธิยังไม่เกิดปัญญายังไม่เกิดวิชายังไม่เกิดอาโลโกยังไม่เกิดนี่เราสวดกันแล้วสวดกันแล้วที่สวดธรรมจัก จักคงอุตปาธิจักเกิดจักสู่เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณังอุตปาธิญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาอุตปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาอุตปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราอารโกตปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเราไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นมา ไม่สามารถที่จะเห็นอริยสัจสีได้ก็คือดวงตาไม่เกิดจะเห็นอริยสัจสีได้ยังไงต้องเกิดจักสูต้องเกิดญาณต้องเกิดปัญญาต้องเกิดวิชาแนวอาโลโก ร, รวมตัวกันเป็นพ้าลังจิตพ้าลังปัญญาแล้วก็ไปเป็นนิโรธเมื่อไปเป็นนิโรธก็ไปดับเหตุให้เกิดทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ตอนนี้มันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ตัวอวิชชาอยู่ที่ตัวอวิชชาตัวเหตุให้เกิดทุกข์ตอนนี้ทีนี่อวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขาร น, นั่นแหละทำให้เกิดสังขารเพราะว่ามันมืดมันบอดมันก็เลยคิดหรือทำอะไรแบบ มืดๆเหมือนตาบอดไปครรำช้างนั่นแหละไปครำแล้วม า, ามารายงานว่าช้างมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้คนไปจับงวงก็ว่าลักษณะเป็นอย่างนั้นคนพี่ไปจับหูช้างก็ลักษณะเหมือนกันดง้งไปจับหางช้างก็เหมือนไม้กวาดไปจับขาช้างก็เหมือนเสาเรือน นี่คือตาบอดตาบอดกรำช้างทีนี่การกระทำทางกายการกระทำที่มืดบอดมืดบอดด้วยสติปัญญาเพราะยังไม่มีสติปัญญามันก็เลยทำมืดมืดบอดบอดอย่างนั้นทีนี้พอพูดพูดก็พูดมืดมืดบอดบอดอีกพอคิดก็คิดมืดมืดบอดบอดอีก คิดประทุษร้ายเขาคิดเบียดเบียนเขาคิดพยาบาทเขานี่แหละมันเอาแต่เรื่องไม่ดีทางนั้นเพราะมันได้มาจากอาวิชชาเหตุมันนะั้นแหะคือเจ้ากรรมนายเวรอยู่ที่จิตตัวนั้นแหละอย่าไปโทษสิ่งภายนอกโทษจิตที่ไม่ได้ฝึกอย่าไปโทษคนอื่น ทุกคนจะไม่โทษคนอื่นโทษจิตที่ไม่ได้ฝึกพอจิตมันไม่ได้ฝึกมันเป็นอะไรมันก็เป็นเถื่อนนั่นแหละจิตที่มันเป็นเถื่อนวัวที่ไม่ได้ฝึกเอามาไถนาไม่ได้ช้างที่ไม่ได้ฝึกเอามาลากม้าไม่ได้เอามาลากไม้ไม่ได้จิตที่ไม่ได้ฝึกข้าวไปอยู่ในคนก็คนนั้นก็ไม่ได้ฝึก กิริยามรารยาทก็ไม่ได้คุยกอะไรก็ไม่ได้คึยการพูดจาก็ไม่ได้ฝึกความคิดก็ไม่ได้ฝึกเรียกว่าไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้สร้างสรรค์เมื่อไม่ได้สร้างสรรค์มันก็ทําอะไรแบบเถื่อนเถื่อนคิดอะไรแบบเถื่อนเถือนพูดอะไรแบบเถื่อนเถือนนี่เห็นกันแล้วหรือยังว่านี่แหละกิเลสเป็นเหตุให้ทำำํากรรม เพราะมันผลักดันกิเลสคือตัวอวิชานั้นมันผลักดันมันมีพลังมากพลังแห่งตัวกูนะมันมีพลังมากผลักดันเป็นปัจจัยทำไมเกิดสังขารทีนี้สังขารน่ะมันเป็นแสงสังขารกายจสังขารก็ขาดศีลไปวิจีตสังขารก็ขาดศีลไป มโนสังขารนะ่ะมันอยู่ภายในยจิตกับใจนะ่ะไม่เหมือนกันจิตคือรู้แต่ว่ารู้ผิดจิตอวิชารู้ผิดเมื่อรู้ผิดสังขารกายวาจาใจใจมีหน้าที่คิดมีหน้าที่คิดรับรูปมาจากอวิชาแ้ะก็เอามาคิด มันก็เลยคิดผิดเพราะมันตั้งต้นมาผิดพอตั้งต้นมาผิดมันก็เลยคิดผิดคิดผิดแล้วก็พูดผิดพูดผิดแล้วก็ทำผิดนี่เห็นไหมกิเลสปลักดานไมายทากรรมจึงว่ากิเลสเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นเหตุกิเลสเป็นเหตุให้ทากรรมคือกายว่ากายกรรมว่าจีกรรมมโนกรรม กิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมแล้วก็ได้รับผลกรรมได้รับผลกรรมมันก็กลับไปที่กิเลสอีกมันไม่จบมันไม่จบเพราะว่ามันยังมีตัณหามันยังมีอุปาทานอยู่มันก็เลยกลับไปหาอาวิชชาอีกวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นอันนี้ถ้า เราไปดูที่ตรงกลางภาพปฏิจจารมุปะบาทเขาทำหมูก้าวผางงูงูก้าวผางไก่ไก่ก้าวผางหมูวนเวียนกันอยู่อย่างนั้นวนเวียนกันอยู่อย่างนั้นนี่นั่นคือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากทีนี้ไม่ใช่ว่าเอา ไปชื่อตั้งสังฆทานมาแล้วก็ไปถวายพระบอกว่าไปแก้กรรมหรือจะแก้โดยวิธีไหนก็ตามใจถ้าวิธีอื่นน่ะมันนอกพุทธศาสนาทาั้งนั้นแหละเป็นเรื่องของพรามนูน่นการแก้กรรมของพรามเราเห็นไหมว่ามันเป็นยังไงอย่างไระเจ้าปเสนทิโกสนนี่แก้กรรมเพราะว่า ท่านนะเป็นเจ้าเมืองอยู่ทางทิศเหนือของประเทศอินเดียทีนี้วุ่นวายแกับสาวสาวไม่ยอมแก่พระเจ้าพระเศนาที่โกสนไม่ยอมแก่ไม่ยอมแก่ที่นี่คืนนั้นบันทมเตื่นขึ้นมากลางดึกได้ยินเสียง ทุาณะโสทุาณะโสเอ๊ะอะไรเนี่ยใจไม่ดีแล้วใจไม่ดีแล้วพอเช้าก็รีบให้โหนมาทำนายว่านี่เมื่อคือนนะตอนที่ฉันบันทมมันเกิดได้ยินเสียงอย่างนี้ขึ้นมาทำยังไงได้เนี่ย โ อ, โอ้ต้องแก้พระเจ้าค่ะต้องแก้กรรมแล้วแก้กรรมทำยังไงเนี่ยคือแล้วมันมีโทษยังไงบ้างถ้าพระองค์ไม่แก้กรรมชีวิตของพระองค์จะหาไม่ทรัพย์สมบัติของพระองค์ก็กระจัดกระจายเสียหายหมดแต่นั้นพระองค์จะต้องแก้กรรมเออทำยังไงการแก้กรรมพวกเธอจะให้เราทำยังไง พปุโรหิตก็กราบทูลว่าพระองค์จะต้องจับนมสาวนมสาวนมร้อยหนึ่งสาวร้อยหนึ่งเด็กตารกหญิงร้อยหนึ่งตารกชายร้อยหนึ่งคนแก่ร้อยหนึ่งมาร้อยหนึ่งลาร้อยหนึ่งแพร้อยหนึ่งแก่ร้อยหนึ่งอย่างละรอยละร้อยละร เอามาเชือดคอให้เลือดกระชูดไปที่ปากของเจ้าแม่กาลีเห็นไหมให้เลือดกระชูดเข้าไปที่ปากของเจ้าแม่กาลีทีนี้ก็จัดการให้พวกมหาดเล็กพวกนั้นจัดการพวกทหารไปเอามาอย่างละร้อยละร้อยละร้อยละร้อยเอามา เอามาถึงจะถึงเวลาเนี่ยทไมมันก็ร้องกันบ้างอะไรกันบ้างงงเงีกันไปหมดเสียงดังลั่นทีนี้พระนางมัลลิกานะ่ยเป็นพระมเหสีของพระองค์ได้ยินเสียงร้องกระหึมกันไปหมดดังลั่นก็มาที่พระราชวังคืออยู่พระราชวังคนรันหลังก็มาถึง ทถามว่าเป็นยังไงพระเจ้าข้าทำไมเสียงอะไรดังลั่นไปหมดเสียงคนร้องเสียงวัวร้องเสียงควายร้องอะไรเต็มไปหมดมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าปเสนที่ก่อโดยตรัสว่าเธอยังไม่รู้อีกหรือเมื่อคืนน่ะเราได้ยินเสียงที่ไม่ดีเสียงวาทุศานตรโสแต่พอให้ผู้โรหิตเขามา ทำนายเขาก็บอกว่านี่ต้องเอาสัตว์ทุกประเภทเอามนุษย์เอาผู้หญิงร้อยผู้ชาร้อยเด็กทารกร้อยหนึ่งตารกหญิงร้อยหนึ่งตารกชายร้อยหนึ่งอย่างละร้อยลรย้ยเอามาแก้กรรมถ้ามาอย่างนั้นชีวิตของจันนี่จะไม่มีแล้วก็าราชวัง หรือทรัสมบัติก็จะหมดกระจัดกระจายหมดเสียหายหมดจึงทำอย่างนี้พระนางมารีกาโด ย, ยทูลว่าขอโอกาสพระเจ้าข้าพระองค์เสวยอาหารวันหนึ่งหนึ่งข้าวสารหอมอย่างดีวันละหนึ่งทนาน เนื้ออย่างดีอาหารอย่างดีอะไรอย่างดีทั้งนั้นที่พระองค์เสวยแต่ทำไมพระองค์จึงโง่อย่างนี้โดนแล้วทีนี้เมียด่าแล้วทำไมพระองค์จึงโง่อย่างนี้ให้พวกปุโรหิตโง่ๆมาทํานายอย่างนั้นโน่นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เจตวันไปเดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าทัานรู้ ก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังวันเกิดตามปกติพระเจ้าแผ่นดินหรือข้าราชการนี่กลางคืนกลางวันยุ่งมากมีภาระมากจะไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าก็ไปตอนกลางคืนทางนั้นแต่นี้พระพุทธเจ้าก็นึกจะโหนใจว่ามากลางวัน ก็เลยจัดถามว่าวันนี้มหมาบอพิษมีทุระอะไรไม่ทราบให้มาตั้งแต่ยังวันพระเจ้าปเสนที่โกศล น, นั่งคอตกไม่กล้าพูดอะไรทั้งนั้นเลยพระนางมาริกานะั่นแหละกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าโอ้ที่ได้ยินเสียงว่าทุษณะโสา สี่คำนั้นเป็นยังไงไม่ได้รักายเกืองร่างกายของพระองค์หรอกแล้วก็ไม่ได้ทำทรัพย์สมบัติอะไรให้มันเสียหายหรอกแต่ว่าทุศานาโสน่เป็นคําย่อเป็นคําย่อของสัตว์นรกสัตว์นรกสี่ตนสัตว์นรกสี่ตนสัตว์นรกนั้น ที่ไปตกนรกนั้นเมื่อก่อนเป็นลูกของเศรษฐีทางนั้นเลยมีทรัพย์ที่เมื่อเศรษฐีนั้นได้ตายกันไปแล้วแล้วมอบทรัพย์ให้สี่คนคนละ80บโกด80โกด80โกดมีเงินมากมีทรัพย์สมบัติมาก ทีนี้พวกนี้พอพ่อแม่สิ้นชีวิตไปแล้วก็เข้ากลุ่มกันทีนี้เข้ากลุ่มกันมาปรึกษากันทำยังไงเรานี่เกิดมาชาตินี้ทรัพย์สมบัติก็มีมากอะไรก็มีมากต้องเรียกว่าบริโภคจะให้เต็มที่ อะไรอะไรก็บริโภคจะให้เต็มที่ทีนี้เาจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงคนแดงก็ว่าให้ไปกินอาหารดีๆร้านดีๆแพงไม่เกี่ยวไอ้คนแดงก็ว่าไปเที่ยวที่ใหญ่ๆโตๆโตจะได้เปิดหูเปิดตาแต่คนสุดท้ายนะคนสุดท้ายบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเรา เอาผู้หญิงใครสวยใครงามเอาหมดล่าหมดเป็นนักล่าดีกว่าเป็นนักล่าดีกว่าล่าผู้หญิงลูกใครเมียใครไม่เกี่ยวเงาเงินทุกผัวมันลูกเดียวแน่นอนว่าพอสี่คนก็เลยตกลงตกลงเอาอย่างนั้นก็เอา ทีนี้ถ้าผู้หญิงพร้อมผู้หญิงพร้อมไอการดื่มมันก็พร้อมการกินมันก็พร้อมมันก็พร้อมหมดเนี่ยพวกนี้ก็เลยทํำกาเมโซมิชฉาจารยอย่างเดียวขาดศีลก็หนี้อย่างเดียวตายไปนี่แหละวิญญาณที่มันไม่ดับมันไม่ดับที่วิญญาณที่ไม่ได้พัฒนา เราเป็นวิญญาณที่ประกอบด้วยวิชาไม่ได้เป็นวิญญาณที่ประกอบด้วยวิชามันก็เลยมีการเกิดตายอีกพอตายแล้วมันก็ไปตกนรกตกนรกขุมที่ใหญ่ยาวสูงแต่อวสูงสูงลองคิดดูว่านรกนั้นคือก้อนหม้อน่ยก้นหม้อก้อนหม้ อ, อ, มอที่ มันต้มน้าเดือดอยู่นั้นมันก็เดือดพรวดพรวดพรวดพรวดเหมือนกับเราหุงข้าวเจ้าหุงข้าวกับไม้ฟืนนี่เราก็ต้องเปิดหม้อดูก่อนว่าตอนที่มันเดือดเ่ยเปิดหม้อดูก่อนพอเปิดหม้อดูข้าวสารมันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงข้าวสารจะขึ้นลงขึ้นลงทีนี้พวกนรกนี้ก็เหมือนกันขึ้นมาจากก้นกระทะ ถึงปากกระทะใช้เวลาเท่าไรสามมื่นปีอ้าวพอขึ้นมาแป๊บลงไปอีกเหมือนกับเมล็ดข้าวสารอย่างนั้นนะลงไปอีกลงไปอีกสามมื่นปีขึ้นกับลงนี่หกมืนปีเข้าไปแล้วทีนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์สักร้อยปีก็ไม่ได้แค้ก็มาทำความชั่วมาคิดชั่ว พูดชั่วทำชั่วเพราะเหตุที่รู้ชั่วคือจิตนั้นรู้แต่เรื่องชั่วเรื่องที่ดับทุกข์ไม่ได้นี่ทีนี้เราต้องฝึกต้องฝึกจิตนั่นแหละฝึกอื่นไม่ได้ต้องฝึกจิตไอ้จิตที่ไม่ดีนั่นแหละนั่นคือตัวเจ้ากรรมนายเวรทำยังไงให้ตัวเจ้ากรรมนายเวร น, นั้นมัน ตายทำยังไงให้มันตายอีนี้ก็เป็นอันว่าเรื่องของนรกทั้งสี่ตนนั้นพระพุทธเจ้าก็ทำนายพระองค์ทำนายเป็นคาถาแต่ละคาถาคาถาคาถาอันนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้จดมาเพราะว่ามันยาวมากก็คือกล่าวก่อนและคําเดียวจะกล่าวให้เต็มไม่ได้ เพือจะกล่าวว่าโอ้ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วท่านจงอย่าประมาททำแต่ความดีปรุกลงไปโต๊ะลงไปหายไปแล้วบอกว่าท่านอย่าทำชั่วปลุกหายไปแล้วมันพูดไม่ได้สามคำพูดได้แค่คำเดียวพูดว่าเอ้าอย่าไปทากาเมทรุมิฉาจานนะปรุกไปลงไปแล้วพูดไม่ได้สามคำสี่คำพูดได้ประโยคได้เป็นประโยคไม่ได้ เต็มประโยคไม่ได้พูดคนหนึ่งก็ทุลงไปแล้วคนหนึ่งพูดร่ษสาลงไปแล้วคนหนึ่งวันนะลงไปแล้วคนหนึ่งว่าโสลงไปแล้วลงไปตามเดิมนี่เห็นไหมนี่แหละคือกรรมกรรมที่ตัวเองกระทําพอกระทําแล้วก็ได้รับผลกรรมที่นี่ผลกรรมนั้นเราต้องคิดดูก่อนว่า ไม่ใช่ว่าผลกรรมนั้นไปรับตอนที่ตายแล้วที่ตายแล้วก็เรื่องหนึ่งเพราะว่าจิตวิญญาณ น, นั้นยังไม่ดับมันก็ตกนรกอยู่แล้วทีนี้เราจะแก้มันยังไงในปัจจุบันนี้เราจะแก้มันยังไงกรรมนั้นเราจะแก้มันยังไงนอกจากว่าการปฏิบัติธรรมเท่านั้น เมื่อเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามอริยมรตไมองค์แปดเราอย่ามองข้ามชวนมากไม่ก่อยพูดกันอริยมรตไมองค์แปดพูดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้บางทีก็พูดเรื่องอริยมรต ก, ก็ไม่จบอีกจะจบยังไงบางทีก็ได้แต่สติปัญญาจีจบแล้ว แก่นั้นจบแล้วเพราะว่าเวลาไปพูดเหมือนกับนักมวยเขาให้เวลายกหนึ่งเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นอา้าวยกหนึ่งหนึ่งชั่วโมงพระองค์นี้หนึ่งชั่วโมงจบยกเลิกหมดเวลาอา้าวพระองค์ใหม่ขึ้นอีกยกหนึ่งอีกจบอีกจะจบกันยังไงพูดอย่างนี้นั่นไม่จบขบวนการอย่างนั้นหลวงพ่อ พูดที่นี้สบายที่สุดเวลาแต่ละก็ช่างหัวมันเวลามันไม่ใช่มันมีอยู่จริงเวลาน่มันของสมมติเราต้องอยู่เหนือเวลาเราในที่นี้คือสติปัญญามันต้องอยู่เหนือเวลาเวลาเป็นของไม่จริงพอโลกมันหมุนข้าวหาดวงอาทิตย์มันก็เป็นกลางวันพอมันอีกด้านหนึ่งมันไม่ได้รับแสง เหมือนกับเดี๋ยวนี้นั่นก็เป็นกลางคืนมันจริงที่ไหนเงามันบังเงามันบังกันบ้างแล้วมันได้รับแสงบ้างนั่นเนา่ยทให้เกิดเวลามันจริงที่ไหนไม่จริงเวลานี้ไม่มีอยู่จริงฉะนั้นเราต้องรู้จักเวลาไม่ยึดถือเวลา นี้ไม่ยึดถือเวลาแล้วก็ยังไม่พอคือไอ้จิตนี้ไอ้จิตตัวนี้แต่ตัวรู้นี่แหละให้จิตตัวรู้อย่าให้มันรู้ผิดปฏิบัติตามอริยมร๊ะมัมองแปดให้มันรู้ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิรู้ถูกต้องรู้จริงถ้ารู้จริงก็ดูที่โลกนี้เป็นยังไงมันหมุน ยีี่ชั่วโมงเนี่ยมันหมุนหมุนเป็นทั้งกลางวันเป็นทั้งกลางคืน red, มันโกหกเราช we ัดๆเลยพอโกหกเราเราก็ไม่รู้ทันมันอีกว่ามันโกหกคือมันเป็นสิ่งสมมติเวลานี่เป็นส um, ิ <t <t <t <t <t <t ่งสมมติสมมติคือให้เราได้ไปนอนทำนี่ตามตามเวลาให้ทาตามเวลาแต่ไม่ใช่ข้าไปยึดถือเวลา พอกล้าไปยึดถือเวลาก็กล้าไปยึดถือตัวเองดินี่กล้าไปยึดถืออายุอายุเท่านี้เป็นเด็กอายุเท่านั้นเป็นหนุ่มสาวอายุเท่านั้นเป็นคนกลางคนอายุเท่านั้นแก่ชราอายุเท่านั้นตายนี่เพราะอะไรที่เราไปมีความทุกข์ไปมีความทุกข์ที่เอาความแก่มาเป็นตัวกูความเจ็บความตาย เอามาเป็นตัวกูหมดเอาอะไรมาเป็นตัวกูเวลาหมดเกี่ยวโยงกับเวลาหมดแต่ถ้าเราอยู่เหนือเวลาล่ะแต่เรารู้จริงปฏิบัติจริงรู้จริงจิตนี้ก็อยู่เหนือเวลาจิตนี้อยู่ใต้อำนาจของเวลานะเรียกว่ากาลจับ ก, กาลเวลากาลจับ เวลา ม, นมนัมนหมนุมนหมนุมนหมนุนหมุนหมุนหมุนก็เลยเขาเขียนเป็นนางยักษ์เป็นนางยักษ์นางยักษ์กินหมดสรรพสัตว์ทุกประเภทกินหมดต้นไม้ต้นลายอะไรกินหมดทั้งโลกกินหมดนอกจากพระพุทธเจ้ากับพระอริยเจ้าเท่านั้นท่านอยู่เหนือเวลา จิตของท่านอยู่เหนือเวลาเมื่อติดจิตของท่านอยู่เหนือเวลาอยู่เหนือความเกิดอยู่เหนือความแก่อยู่เหนือความเจ็บอยู่เหนือความตายนี่จิตของท่านอยู่เหนือความเกิดเกิดความรู้สึกว่าตัวกูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวกูพอแก่ ก, ก็ไม่ใช่กูใหญ่เจ็บตายก็ยิ่งไม่ใช่กูทางนั้นเลยก็เป็นอันนะนี่แหละ จิตที่อยู่เหนือเวลาเมื่อจิตอยู่เหนือเวลาก็อยู่เหนือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็อยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือความทุกข์ฉะนั้นนี่เราต้องแก้กรรมบอกว่ากรรมนี่แหละกรรมคือการกระทําทีนี้ทําดีไม่เอาดีเราทํา แต่ว่าไม่ต้องไปรับเอาไม่ต้องรับไม่ต้องรับเราจะได้ดีไม่ทำไม่ได้ต้องทำแต่ว่าไม่เข้าไปยึดถือชั่วนี่ต้องไม่ทำใหญ่ละชั่วทำดีทำจิตให้สะอาดทำจิตให้สะอาดสะอาดยังไง มันต้องอย่าข้าไปยึดถืออย่าข้าไปยึดถือกรรมชั่วไม่ทําแต่ทํากรรมดีพอทำำํากรรมดีก็ข้าไปยึดถือกรรมดีอีกให้ทานอย่างนี้ให้ทานให้ทานเสร็จแล้วก็คิดว่าทําดีแล้วอะไรดีแล้วเอาไม่เท่าไหร่ไอ้ตัวความดีนั้นก็เสื่อมไปอีกเอาไปทําไว้อีกอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้น นี่เรียกว่าทำด้วยการยึดมั่นถือมั่นให้ทานด้วยการยึดมั่นถือมั่นรับศีลด้วยการยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็เลยยังไม่ได้อะไรยังไปแบกของหนักอยู่แย่นั้นละชั่วทำดีแต่ว่าทำจิตให้สะอาดพอทำจิตให้สะอาดนี่แหละคือจิตว่าง นี่แหละคือจิตว่างได้ยินกันไหมว่าจิตว่างพูดจิตว่างสองตัวทีนี้มันไม่ตลอดจิตที่ว่างจากตัวตนจิตที่ว่างจากตัวตนจิตที่ว่างจากตัวตนก็คือจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวมันเองเมื่อมันไม่ยึดมั่นตัวมันเอง เหมือนที่พูดเรื่องขันทั้งห้ารูปขันรูปอูปาทานักขันโททานักอุปาทานะในี่แปลว่าอุปาทานอุปาทานนแปลว่ายึดมั่นถือมั่นรูปูปาทานักขันโทยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนุปาทานักขันโทยึดมั่นถือมั่นในเวทนา ฉันยูปฐานะขันโทยึดมั่นถือมันในสัญญาสังขารูปัฏฐานะขันโทยึดมั่นถือมันในสังขารวิญญาณูปาทานะขันโทยึดมั่นถือมั่นในตัวรู้ในตัวรู้ในตัวรู้กูรู้นั่นนี่คือตัววิญญาณตัววิญญาณพอกูรู้รูปก็กูรู้ เวทนาก็ Guru สัญญาก็กูรู u สังขารวิญญาณูรู้หมดทีนี้ไปทำลายทำลายกูตรงนั้นทำรายกู r u รู้แล้วมันยึดมั่นถือมั่นรู้แล้วยึดมั่นถือมั่นคือความรู้ที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นทำชั่วระชั่วทำดีทำจิตให้สะอาดหรือทำจิตให้ผ่องแผ้ว ก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นคือจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอานี่ไม่เอาทางนั้นจิตนั้นจึงเรียกว่าจิตว่างจิตวิญญาณเกิดดับว่างจากกลัวตน รูปเกิดดับว่างจากตัวตนเวทนาเกิดดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับวิญญาณเกิดดับว่างจากตัวตนหมดอันนี้สงกรา น, เ, นเป็นคำใหม่สำหรับพวกเราที่อยู่ภาคใต้ภาคกลางเขาก็เรียกว่าสงกรานเขามีนางสงกรานมีอะไรตัวอะไรแต่ว่าภาคใต้ของเราเนี่ย จักจะลืมเลือนจนเละเลือนเราไม่ได้เรียกว่าสงกรานแต่บางคนก็อยากที่จะให้ทันสมัยใหม่ก็ว่าสงกรานแต่เราเรียกตามภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าว่างๆจะถึงวันว่างแล้ววันที่13ามเมษาถึงวันว่างนี่อะไรว่าง เวลามันก็ว่างเห็นไหมเวลามันก็ว่างตัวรู้ก็ว่างตัวรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่างอายุมันก็ว่างเพราะไม่ข้าไปยึดถือในเวลาจิตที่มันมีสติปัญญามันไม่ข้าไปยึดถืออันก็เลยชื่อว่าวันว่างวันนี้เป็นวันว่างแต่เดี๋ยวนี้เราก็เรียกกันว่าวันสงกราน หลวพ่อเสียดายคำดีๆอย่างนี้มันจะไม่มีแล้วต่อไปนี่คําว่าวันว่างอย่างเนี้มันไม่มีแล้วว่างก็หมายถึงว่าจิตว่างจิตว่างแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ว่างรูปเสียงกลิ่นรส พ, พุทธะพระธรรมารมณ์ว่างวิญญาณทั้งหกวิญญาณทางตาหูวิญญาณคือตัวรับรู้ รับรู้ทางตาทางหูทา ง, ทางจมูกลิ้นกายใจยว่างแล้วปัจจาการกระทบว่างเวทนาที่เกิดขึ้นมาก็ว่างว่างไปตามลาดับทีนี้ตัณหามันก็ไม่เกิดแง่ว่างนี้ก็ทำอะไรกันเมื่อก่อนเขาก็ไปเล่นเล่นกันอย่างนั้นเ็าเข้าวัดกันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กเข้าวัดไปทาบุญแล้วไป ฟังพระท่านเทศวอนผู้ชายเด็กๆ ก, ก็เล่นตะกร้อกันบ้างเล่นทอยกองกันบ้างอะไรกันบ้างเขาก็สนุกสนานวันนั้นเป็นวันปล่อยวันปล่อยเหมือนกับว่าทางจังหวัดเลยอย่างนั้นปล่อยผีปล่อยผีปล่อยผีปล่อยผีย ผ, ย ผ, ผีอะไรก็ไม่รู้เองทากันอย่างนั้น เอามาจากเมืองนอกเมืองนาเอามาจากเราก็คิดว่าไอ้ปล่อยผีนะผีอวิชชาผีนั่นผีอวิชชาปีโง่ผีบอดผีหนวกผีที่ทำอะไรผิดผิดรู้อะไรผิดผิดคิดอะไรผิดผิดปล่อยผีนี่ก็เรียกว่าวันปล่อยผีฉะนั้นวันนั้นคนที่ไปวัดไปวา เป็นผู้ชายวัยรุ่นวัยเด็กอะไรก็ตามเขาจะไม่โกรธวันนี้เขาจะไม่โกรธเ็าจะไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนวันนี้นะนี่เดี๋ยวว่างเป็นวันว่างวันนี้เป็นวันว่างก็เท่ากับว่าเวลาว่างนั่นเองเวลาว่างเวลาว่างก็โลกว่างดิโลกว่าง ทีนี้โลกมันก็มีสองโลกอยู่เลยโลกภายนอกก่อ น, นี้เลยที่เรามานั่งทับอยู่เนี่ยโลกภายนอกทีนี้โลกภายในยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่โลกภายในเรียกว่าโลกภายในยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือสิ่งที่มากระทบกายรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพะ ทำมารมโลกภายนอกนั้นโลกภายนอกทีนี้โลกภายในยกับโลกภายนอกกระทบกันก็ทำให้เกิดการรู้สึกขึ้นมานั่นเรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมัเกิดวิญญาณขึ้นมาแล้วมันก็เกิดผัสสะเกิดการกระทบ กระทบเกิดปัสสาขึ้นมามันกระทบกับอะไระแล้วมันผลมันออกมาอย่างไงถ้าชอบใจก็เป็นสุขไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ตัางโง่ก็เป็นอาทุกรรมสุขนี่นี่คือเรียกว่ากว่าวันว่างวันนี้เป็นวันว่างแต่คนบ้านนอกในสมัยนั้นเขาก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าวันว่างก็พูดแต่ว่าวันว่าง แต่เราก็ต้องหยุดต้องหยุดวันนั้นคือตามปกตินะ่ะคนบ้านนอกเนี่ยเขาจะนวดข้าวข้าวก็เก็บมาเก็บเป็นเลียงจะนวดข้าวตอนเช้านวดเสร็จแล้วก็ตากตากพอตอนบ่ายก็ก็ตําข้าวตําข้าวให้เป็นข้าวสารขึ้นมาแล้วเขก็ขไม่ได้ทํามากหรอกทำไปวันวันหนึ่งวันวันหนึ่งวันวันหนึง่งเขาไม่ทํามาก ไม่ได้ทำมากไม่ได้ทำไว้เป็นกระสอบกระสอบหรอกก็ทำอยู่อย่างนั้นทีนี้ในเรื่องของวันว่างนี่นะก็จะทำข้าวสารไว้สามวันหรือเจดวันไม่ต้องทำก้าวสารไม่ต้องตากข้าวไม่ต้องนวดข้าวไม่ต้องอะไรอย่างน้อยสามวันก็ไม่ทำอะไรกันว่างว่าง เขาอยู่ว่างว่างแต่ก็ก็ไม่รู้ว่าว่างคืออะไรเนี่เสียดายที่ว่าปู่ย่าตาทวดของเราสมัยโบราณถ้านอุตสาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้ก็มีวันนี้ขึ้นมาแต่เราก็ไม่รู้จักวันนี้วันว่างลดน้ํา โอ้โถงอายุชื่อเสื้อชื่อผ้าชื่ออะไรไปให้มีของกินของใช้อะไรที่จําเป็นไปให้นี่วันว่างดังนั้นวันว่างมันต้องไม่ถือสากันอะไรอะไรก็จะไม่ถือสากันเลยวันนั้นก็ถือว่าวันว่างทีนี้เพราะว่าหลวงพ่อนี่เป็นลูกชาวนา ก็ต้องทำนาทำนาพอทำนามากมันเก็บไม่ทันเวลามันสุกมันจะถุกพร้อมกันหมดรีบเก็บเพื่อจะได้ให้เสร็จก่อนวันว่างพอวันว่างแล้วต่อไปวันต่อต่อไปเป็นยังไงพอว่างเสร็จแล้วถ้าข้าวในานายังเหลืออยู่บ้างเอาเลยเปิดมือ ใครจะเอาก็ามาเก็บมาเกี่ยวเองนี่จะถึงวันว่างแล้วว่าวันที่สิบสองนี่ก็เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดให้ใครจะเอาเขามาเอาเลยไม่ได้เกี่ยวเขาเก็บแต่สมัยนี้นะเทคโนโลยีจเจริญมากไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกี่ยวรถจัดการเองแล้วต่อไปเป็นยังไง น้ำมันหมดโลกมันไม่เก็บมันไม่เกี่ยวกับอดมันเองมันจะอะไรไม่มีน้ํามันที่จะใส่รถรถเกี่ยวข้าวก็ไม่มีน้ํามันรถวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่ได้มันไม่มีน้ํามันสมมติน้ํามันขึ้นลิตรร้อยบาทแล้วมันไปเกี่ยวได้ยังไงลิตรร้อยบาทแล้วมันจะ วิ่งเล่นกันยังไงรถจักรยานรถเครื่องก็ต้องวิ่งไปหากลับกลับข้าวที่เดิมต่อไปกลับข้าวที่เดิมต้องมีรถจักรยานหรือว่าถ้ามันพัฒนาเทคโนโลยีแบบที่เอาแสงอาทิตย์มาใช้มันก็ไปได้แต่ก็ไม่เหมือนกับน้ำมันเพราะมันต้องชายเราแสงอาทิตย์นั้น เป็นพลังเอามาใช้ทีนี้ไอ้พลังในโลกหมดต่อไปหมดทานหินก็หมดต้นไม้ก็เกลี้ยงน้ำมันก็หมดหมดคนที่เกิดมาที่หลังอ่อไปลำบากลำบากแน่นอนเลยนี่ทางวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าคนที่ในยุคต่อไปนี่ กระเบียดกษะเสียนกันไม่ว่าในเรื่องอะไรต้องระมัดระวังต้องกระเบียดกษะเสียนกันทั้งนั้นเลยเพราะทรัพยากรธรรมชาติมันหมดไปมันหมดไปเพราะเราถลุงกันจนหมดเอาดูที่อ้าทีนี้นี่เรื่องทั้งหมดนี่ที่พูดมาก็คือเรื่องเจ้ากํานายเวน ให้ท่านเข้าใจให้ถูกถูกเสียน่ก็เป็นอันว่ามหาดเล็กก็มาปลดปล่อยปลดปล่อยสัตว์ปลดปล่อยคนที่ไปจับมานั่ น, นก็ดีใจกันใหญ่ที่นี่นี่ถ้าใครทำอย่างนั้นอีกสมัยนี้นีนก็เรียกว่าโง่เ ง, ง่าเต่าตุ่นนั่นเหมือนของพรามของพรามเข า, ข า, เ, ขาเขาทำอย่างนั้น เรามนี้มันก็ยังมีของศาสนาอินดูเนี่ยคือศาสนาพราหมณ์นั่นแหละมันก็ยังมีไปเชือดคอแพะเชือดคอแก่ให้เลือดมันกระฉูดค่ะที่ปากของเจ้าแม่กาลีไกรเจ้าแม่กาลีที่มันใจดําอมหิตถึงขนาดนั้นไปกินเลือดมันก็จะแดงว่า นางยักษ์ที่ใจมันอมไหิตที่เป็นอวิชานั่นแหละนางยักษ์อวิชานั่นลทีนี้เอาคนไปฆ่ า, าไปแกงอย่างนี้ไม่ถูกนเนี่ยคือไม่ถูกต้องหรือเอาสัตว์ไปฆ่ามันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ใครทำอย่างนั้นกไม่ชัวเป็นชาวพุทธทีนี้ที่ไปเสกไปเป่ากันอะไรกันมันนอกเรื่องทางนั้นแหละ นอกเรื่องทางนั้นไม่ใช่หลวงพ่อจะปฏิเสธว่าของคนอื่นผิดหมดก็เรามีปัญญาเลยไปพิจารณาที่นี่มันหลักฐานมันโจ้งโจ้งอยู่อย่างนี้นอวิชชาเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมเลยได้รับผลกรรมได้รับผลกรรมแล้วก็ อ, อวิชชาก็ส่งพลังมันมาอีกพลังของมันมีอะไรอวิชชาตัณหา อุปาทานทุกนี่สี่ตัวอวิชชาโน่นตัวใหญ่ตัณหาอุปาทานแล้วก็ทุกอวิชชาคือจิตโง่ตัณหาคือจิตที่มันไม่ดับที่มันไม่ดับที่มันไม่ว่างเพราะพอเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วสติปัญญามาไม่ทันมันก็ดับตรงนั้นไม่ได้ จะดับยังไงไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยไม่ได้เคยฟังเรื่องอย่างนี้เลยมันก็เกิดต่อไปจากเวทนาก็เป็นตัณหาตัณหาก็มีตัณหาเรื่องกามตัณหาเรื่องความมีความเป็นตัณหาว่าไม่มีทางออกแล้วผูกก็ตายแี่เลยนี่เรียกว่ากามมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ตัณหามันก็ส่งรูปไปอีกเป็นอุปาทานอุปาทานก็คือยึดมันมนมาานดม่นถือมั่นกามุปาทานอีกยึดมั่นถือมั่นในกามนี่มันจะออกได้เลยยึดมั่นถือมั่นในกามอยากจะออกบวชอยากจะออกปฏิบัติธรรมเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมียเป็นห่วงทรัพย์สมบัติแต่ว่า ไม่เป็นห่วงตัวเองนี่มันก็เลยมีอุปท า, านคือตัวกูนั่นเลยคือตัวกูนัน่นมันก็เลยออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออไไดทิ้งเมียไม่ได้ทิ้งลูกไม่ได้ทิ้งทรัพย์สมบัติไม่ได้แล้วก็ทิ้งตัวกูไม่ได้ก็เลยอยู่กับตัวกูอุปท า, านตัวนั้นกามุปปาทานยึดมั่นถือมั่นในกาม ทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดเด่นของตัวเองที่มันไม่ถูกต้องกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีรับประตูปาทานยึดมั่นถือมั่นในศีพลพรษตื่นเช้าขึ้นมาอันหน้าไปทางนูน้นก่อนที่จะล้างหน้าต้องเสกน้ำล้างหน้านี่นั่นเกียวกวัสีลับประตาปาทานทางนั้น กามมปาทานยึดมั่นถือมั่นในกามกิเลสกามวัตถูกามเหมือนที่ผู้ไดขวางเมื่อคืนทิฏฐุปาทานมนีความคิดเห็นที่ผิดผิดสีะระปตุปาทานยึดมั่นถือมั่นในศีนพรตในศีนพรตคนเรื่องกุนไสอะไรต่างๆนั่นแหละอัตวาทุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวกู นั่นอุปทาน ท, ที่เมื่อมันมีตัวกูลแล้วมันจะออกได้ผมว่าสามีอยากที่จะออกบวชก็ออกไม่ได้ภรรยาบอกว่าอย่าเลยพี่อย่าเลยน้องจะอยู่กับใครถ้าใครจะรับผิดชอบลูกรับสมบัติที่นี้ตัวเองมันเข้าข้าวข้ามตัวเองอยู่แล้วมันก็เลยข้าวทางเลย ก้าวทางใครก้าวทางตัวกูเลยมาแต่วาทุปาทานเพราะมันยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวกูว่ามีตัวกูก็เลยข้าวทางทุกอย่างนั่นเรียกว่าอุปาทานอุปาทานตัณหาอุปาทานได้ต่อไปกดทุกทุกเอาวิชาตัวหนึ่ง แล้วอวิชาก็ส่งลูกไปเป็นตัญหาเป็นตัญหาแล้วก็อุปาทานแล้วก็ทุกทุกอย่างคือยึดมั่นถือมั่นหมดเพราะเหตุคือการยึดมั่นถือมั่นหมดนั่นคืออุปาทานสี่นั่นลูกน้องของอวิชารับลูกไปจากอาวิชาแล้วก็เป็นโทษโทษโทษโทษโทษโทษ เป็นทอดทอดกันไปจนถึงทุกข์พรถึงทุกข์เนี่มันก็มาทำอีกแล้วมันก็คิดอีกครบวงจรอีกแลวมันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เพราะไม่ได้รู้รว่าอริยมรรคไมองเปรตคืออะไรบ้างแอลก็ไม่ได้ปฏิบัติศรัทธาก็ไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดบางทีศรัทธาเกิดศรัทธาเกิด อยากจากฟังทำบา ร, รมีไม่มีอีกไปโดนกับพระหลวงกระเป๋าเอาไปอีกโดนอีกทีนี้โดนต้มแล้วต้มอีกต้มแล้วต้มอีกเละเลยทีนี้เละเลยโยงนี่เพราะเราขาดปัญญาเพราะเราขาดปัญญ า, าไปหาพระจะเปิปะจะเปิปะหลวงพ่อพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่า ให้มาหาหลวงพ่อไม่ต้องมาหาก็ได้เอาหนังสือออาแผ่นซีดีไปฟังขอมาก็ได้อะไรก็ได้แล่วเอาไปปฏิบัติถ้าหลวงพ่อไม่ได้ทําผาณิชย์ไม่ได้ทําธุรกิจมีอย่างเดียวคืออยากจะช่วยเหลือญาติโยมทีนี้หลวงพ่อนี้ก็มีบุญอย่างหนึ่งพอคิดจะบวชขึ้นมา เพราะว่าบวชไปแล้วเป็นพระเป็นเน9เกปีก็ถือว่า9ปีนั้นบวชเรียนบวชเรียนไม่ใจบวชปฏิบัติแต่มันก็อยากปฏิบัตินั่นแหละถ้าปฏิบัติจะเประป่าไปเรียนหนังสือไปพรางพอวันไหนมันเครียดเครียก็ปฏิบัติไปพลางทำสมาธิไปพรางอะไรไปพรางทำอยู่อย่างนั้น เพื่อนก็ไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกว่าหลงพปฏิบัติไม่มีใครรู้จะนั่งปฏิบัติในกุฏินี่พอศิกมามาดูประสบการณ์ภายนอกแต่จิ่งมันยังอยากยังอยากจะอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันไปเห็นอะไรที่กรุงเทพนะ่ะมันไม่ค่อยดี พระผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างเขาทำธุรกิจกันหลวงพ่อก็เลยคลากเลยเอ๊ะอยู่อย่างนี้เราอยู่ทำไมเนี่ยมันสึกดีกว่าถ้าอย่างนี้ก็สึกมาก็เรียกว่าหาประสบการณ์เท่ากับมาหาประสบการณ์ทีนี้เราคิดว่าเรานี่มันต้องบวชอีกไม่รู้โอกาสมันจะมีเมื่อไรแต่อยากที่จะบวชอีก ก็เลยนั้นที่เรียกว่ามีบา ร, รมีนั่นแหละบวชครั้งนี้ต้องให้ได้บวชกับพระอราหันต์ถ้าไม่ใช่พระอราหารันต์หรืเป็นพระอนาคามีนี่จะไม่บวชเด็ดขาดในชาตินี้ไม่บวชเด็ดขาด น, นี่คิดอย่างนี้หลวงพ่อไม่ต้องไปหาอาจารย์นั้นอาจารย์นี้อาจารย์โน้อาจารย์หมูอาจารย์ไก่อาจารย์อะไรไม่ ไม่ได้ไปหาเลยอาจารย์เดียวโดยท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์พุทธทาสรู้ขึ้นมาอย่างไรว่าพระองค์นี้เป็นพระอระหรอันต์อ่านหนังสือคู่มือมนุษย์เที่ยวเดียวเที่ยวเดียวตัดสินใจเลยตัดสินใจเลยไปเลยไปเลยไปถึงก็ขอบวดท่านบอกว่าโหยไป อูก่อนเธอะอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอย่นะันกว่าจะได้บวชเจ็บกว่าปีก็ไม่ถอยก็ไม่ถอยเพราะเราอยากบวชกับพระอระหรันต์ทีนี้พอไปขอบวชพอครั้งสุดท้ายคือเป็นครั้งที่สามแล้วก็วไปขอบวชกับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็เลยถามว่าทำไมเธอไม่บวชกับเจ้าคณะภาค เพราะอาจารย์ของหลวงพ่ออยู่วัดกุหัสวรร์เป็นเจ้าคณะภาคสิแแปเแ็นเป็นพระเจ้าคุณชั้นธรรมชั้นเทพไปโน้นทำไมเธอไม่บวชกับเจ้าคณะภาคทีนี้เราจะบอกว่ากล้าวตั้งใจว่าจะบวชกับพระอารหันต์ไม่ได้เธอกราบเรียนท่านว่ากล้าวตั้งใจที่จะมาบวชกับพระเดชพระคุณ ให้ได้ยังไงยังไงก็ต้องบวชกับพระเดชพระคุณไม่มีทางอื่นแล้วนี่แอนไหมท่านก็เลยอนุญาตแต่ครั้งจุดท้ายเนี่ยครั้งนี้ไปขอเป็นครั้งจุดท้ายแล้วยังได้บวชยังได้บวชนี่คือหาธรรมะหาธรรมะให้เราเดี๋ยวนี้หาธรรมะกันเหมือนกันหาสเปชสปะ ธรรมะเยอะแยะหมดเลยองค์นั้นก็ขึ้นบรรยายอง์นี้ก็บัญยายองโน้นก็บัญยายไม่ปวดรัวกันหมดโยมเช่นว่าของพ่อไปบรรยายสมรูปเวลาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกึ่งหนึ่งไม่เกินชั่วโมงครึ่งอ้าวโยมยังไม่ทันย่อยเลย องที่สองขึ้นอีกแล้วอ๋อองที่สองจบองที่สามขึ้นอีกแล้วให้มันย่อยทันเหรอย่างนั้นมันย่อยทันนะเหมือนกับว่าเราป้อนข้าวให้เด็กยัดกับไปยัดกับไปยัดกับไปเด็กยังไม่ทันเคี้ยวเลยยัดกับไปอีกตายก้างตายเลยพอดีนั่นเหมือนกันนี่ยนี่หลวงพ่อเห็นว่า มันไม่ไหวแล้วระบบนี้ไม่เอาหลวงพ่อไม่เอาใครทาก็ทํากันไปเถอะแต่ถ้านิมนต์หลวงพ่อนี่มต้องเดี่ยวไม่เดี่ยวไม่เอาเราไม่ได้ไปโชว์แล้วก็ไม่ได้ไปแข่งกันไม่แข่งกับใครยอมแพ้ยอมแพ้ดีกว่านี่หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทีนี้อย่างยมมาที่นี้ที่หลวงพ่อต้องการเนี่ย ต้องการที่มันมากที่สุดให้โยมฟังเร็วรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติที่นี้ยังไม่รู้ก็ไปปฏิบัติต่อต่อต่อต่อกัอออออนไปปฏิบัติไม่ต้องหยุดไม่ต้องหย่อนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้ได้ทางนั้นธรรมะเกิดได้ทางนั้นเนี่ยอาการลิโกเนี่ยไม่ประกอบด้วยการ การพูดศึกษาและปฏิบัตินี่เลยรู้ได้ที่ไม่ประกอบด้วยการเวลาไม่เกี่ยวเวลาไม่เกี่ยวว่างเวลาหน่อยภาวนาเวลานั้นคิดได้เวลาหน่อยภาวนาเวลานั้นงั้นเราทำงานก็ทำไปทํางานทำไปพอเราเลิกงานเราก็ภาวนาภาวนาไปทีนี้เดี๋ยวนี้มันสะดวก เชนว่าคนที่มีรถขับเองน่ะแผ่นซีดีใส่เข้าไปเปิดแ้เรื่องอะไรไปตกนรกอยู่รถติดโอ้ยแย่แล้ววันนี้อเป็นทาตเวลาอีกแล้วพอเป็นทาตเวลาอีกก็นั่งตกนรกอยู่แต่ถ้ า, าว่าเราฆ่ามาันใช้เวลาเป็นของไม่จริงฆ่ามันเทียบเอาซีดีควงเปิดซีดีควง นั่นแหละต้องเล่นมันอย่างนั้นทีนี้นี่เฉพาะคนที่มีรถคนที่ไม่มีรถรอรถเมย์อ้านาทีก่อนแล้วสิบนาทีก็อแล้วสิบห้านาทีก่อแล้วหายไปไหนหมดรถวันนี้ก็ยืนภาวนาอยู่ที่ยืนภาวนาอยู่นั้นยายมันตกนรกนี่ ทำงานแล้วนี่เรียก ว, ว่าได้ทำงานแล้วก็ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูนี่ได้ทำงานแล้วคือได้ภาวนาแล้วเออไอ้ที่ยืนอยู่นี่มันไม่ใช่กูจริงๆเลยไม่ใช่กูจริงๆเลยโลกนี้มันมีแต่หลอกกันหลอกกันหลอกกันหลอกกันทางนั้นหลอกกันทางนั้นเราก็หลอกหลอกใครหลอกตัวเองเนี่ ว, ว่ามันมีกู แต่ตามที่จริงมันไม่มีมันไม่มีเนี่ยคือมันหลอกกันทางนั้นเลยหลอกตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่นหลอกกันไปอย่างนั้นทีนี้เวลามันก่อนหลอกเราเราก็เลยไปเชื่อมันอีกไปเชื่อมันทีนี้เอามาเกี่ยวข้องกับเราเรามีอายุเท่านั้นแล้วในอายุเท่านี้แล้วอันนี้ไปทําวันเกิด เกิดครบเท่าไหร่ย่สิบปีสาสบปีสี่สบปีเกิดอะไรวันเกิดจากท้องแม่มันเกี่ยวกับอะไรเกิดจากท้องแม่แล้วมันเกี่ยวอะไรถ้าเกี่ยวกับเกี่ยวกับว่าเกิดนี่ไม่ไม่ใช่กูที่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูมีอายุสามสบแล้วไปถวายสังฆทานวันเกิด เป็นยังไงกูอายุสามบกูเกิดจากท้องแม่จะทาอะไรได้ไอ้ถ้ากูคือความรู้สึกความรู้สึกว่าไม่ใช่กูนี่ความรู้สึกให้มันถูกต้องความรู้สึกว่ากูนัน่นอวิชชาความรู้สึกที่ว่าไม่ใช่กูวิชชาหรือสติปัญญาเอากู 30สบแล้วแต่ว่าเออ30สบอะไร30สบปีปีหนึ่งมีส2บสองเดือนเดือนหนึ่งมีส0วสิบวันจะได้มันมาจากไห น, นวันเดือนปีนี่มันมาจากไหนเนี่ยนี่ตต่เต้าไปดูดิมาจากไหนเอาถ้าคนเมื่อก่อนก็บอกว่ามาจากข้า ง, ข, างขึ้นข้างแรม แเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่เดือนหน้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบเอ็ดสิบสองสมัยก่อนก็คิดกันอย่างนั้นทีนี้ในเมื่อเวลามันไม่มีเดี๋ยวนี้มันสะดวกยิ่งกว่าสะดวกดูที่ถ้าดูในโทรทัศน์ดูช่องสารคดีนะสารดี สาระดีก็บอกว่าสาระดีมันจะมีโลกโลกหมุนหมุนหมุนหมุนหมนมันจะทำโลกให้หมุนหมุนหม น, ม น, มนไอ้โลกหมนุนนั่นแหละทำให้เกิดเวลาขึ้นมาเราก็โดยจับเวลานั้นมากะเดียดเอามาเป็นตัวกูพอมาเกินเป็นตัวกูกูเกิดเวลานั้นเดือนนั้นปีนั้นกูอายุครบ30มสบ กูอายุสีบอายุห้าสิบอายุหกสิบกูแก่กูเจ็บกูตายนี่เพราะไปยึดถืออะไรยึดถือเวลาเห็นไหมยึดถือเวลานั่นเองเขาเรียกว่ากาลจักนางยักษ์มันกินหัวหมดเลยทีนี้เราจะทํำยังไงกาละจักนี้เราจะทํำยังไงกาลจักก็ได้วัตจักก็ได้ วัฏฏาแปลว่าวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เกิดแก่เจ็บตายภายนอกเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในความรู้สึกพอเกิดตัวกูขึ้นมาทีหนึ่งพอเกิดตัวกูขึ้นมาทีหนึ่งเกิดทีหนึ่งพอเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายทุกขทุกขเพราะเกิดความยึดถือแล้วก็เป็นทุก์ทีหนึ่ง เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่ากาละจักรหรือวัฏจักร ม, นมนันหมุนให้ถ้าหมุนครบรอบก็ปฏิจจธ ร, รมุปกบาทฝ่ายเกิดทุกข์นั่นแหละเริ่มต้นจากอวิชชาจังการวิญญาณนั่นแหละนั่นฝ่ายเกิดทุกข์ทีนี้มันต้องกลับลำมันกลับลำด้วยกาใ้เป็นธรรมจักเห็นไหม ไม่ใช่วัตจักรเนี่ยจากนี่แปลว่าหมุนแต่จากเองก็แปลว่าล้อแปลว่าล้อเช่นว่าล้อเกวียนอย่างนี้ทท่ก็ทำเป็นล้อเกวียนทำเป็นล้อเกวียนแลวก็มีกวางมีกวางอยู่ด้านล่างและมีพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าอยู่ออตามที่เกียนพระพุทธเจ้าว่าท่านชี้ท่านชี้วันนั้นแหละเธอเดินทางนี้ถ้าเธอไม่เดินทางนี้ นางยักษ์มันก็จะกินหนัวหมดทุกคนไม่มีใครเหลือฉันั้นที่เราเดินไปทางกาละจักก็โดนนางยักษ์มันกินหมดไม่ใช่กินเวลาตายกินเดี๋ยวนี้ไปเลยกินมันทุกวันทุกวันทุกวันกินสัตว์โลกกินทุกวันทุกวันนางกาละจักตัวนั้น จกักในแปลว่าหมุนแปลว่าล้อล้อหมุนทีนี่พระพุทธเจ้าอยู่เหนือเขาทําภาพที่อยู่เหนือเขาก็เก่งเหมือนกันคนที่คิดภาพออกมาก็เก่งเหมือนกันเสร็จแล้วก็ยืนทางาทางสายมือแล้วก็ชี้ข้ามหัวไปข้ามหัวนางกาละจักนั่นแล้วก็มีธรมมธรมจักจะมีโลธรรมจัก แล้วธรรมจักนี่ก็จะมีอาริยมรตมีองค์8ดก็มือแซี่นั่นแหละมี8ปซีส่วนมากก็จะ8ปดซี่ถ้าสีซก็อริยรสัตว์่ซนี่เป็นอาริยสัจถ้าสามสซี่ก็อาการ32สองถ้าสิบซี่ก็เป็นยานสิบสองแต่ส่วนมากเราจะยอมรับกันที่ สซี่คืออริยมรรคไม่ไ อ, องแปดนี่เรียกว่ารรมาจากพระพุทธเจ้าจึงชี้ข้าหมหัวนางยักษ์ไปเลยโดยไม่เกรงใจเพราะนี่พวกเธอเดินทางนี้นั่นแหละคือรรมาจากแล้วนางยักษ์มันก็กินไม่ได้นี่เห็นไหมภาพนี่เป็นภาพที่เราจะต้องแกะออกมาให้ได้ แกออกไม่ได้ทีนี้ในวงล้อนั้นก็มีอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปนั่นแหละขวายเกิดทุกข์กับขวายดับทุกข์เนี่ยมันก็มีสองฝ่ายแค่นั้นเองทีนี้แต่ละตัวแต่ละตัวละครแต่ละตัวน่ะมันก็แสดงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอวิชชาก็เป็นเจ้าใหญ่นายโต สังขารก็ลูกน้องก็ทําตามอาวิชชาวิญญาณตัวคิด้าวิญญาณตัวรู้ก็รู้กูรู้นามรู้อะไมันก็ไปเป็นแถวแหละเป็นแถวแต่อยู่ใต้อํานาจของเจ้านายมันก็คืออวิชชาทีนี้เราก็ต้องหาเจ้านายใหม่เจ้านายใหม่เจ้านายใหม่ก็ต้องเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิถ้าไม่ไป ปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐิเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนอวิชชาได้สัมมาทิฏฐิตัวเดียวก็ไม่พอต้องมีลูกน้องเปลวพราวเหมือนกันจากสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจสเป็นตอนเห็นขันห้าตอนหนึ่งเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งหมดตอนหนึ่งสามตอน อันนี้ตัวปัญญาไม่ใช่ตัวสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องสัมมาสังกับโปมีความคิดน่ความคิดอีนนี้ถ้าพูดภาษาเพราะหน่อยก็เรียกว่าดํารีถูกต้องแต่เราเอาคิดดีกว่าคิดดีกว่ามีความคิดถูกต้องจะได้เข้าใจคิดอะไรันที่หลวงพ่อพูดเมื่อคืนน่แหละ คิดออกจากกามคิดในการไม่ประทุทร้ายคิดไม่เบียดเบียนใครมันจะออกจากกามเนี่อยอนี้มันวิ่งก้าหางกองไฟทางนั้นไอเดี่ยวนี้กามก็เอามันเต็มที่ไมาว่ากามระหว่างเพศหัืว่ากามในเรื่องของวัตถุเป็นธาตุกามกันทั้งโลกเลยทีนึงเป็นธาตุกามกัน พระสององค์เจ้าก็ไม่เว้นเป็นธาตุหมดถ้าไม่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมถ้าไม่ถึงไห น, นก็ยังเป็นธาตุนี่เป็นธาตุกรรมโลกนี้จะได้เดือดร้อนขึ้นมานะเพราะเราเป็นธาตุกรรมทั้งกรรมที่เป็นกิเลสทั้งกรรมที่เป็นวัตถุเป็นธาตุกามกันไปหมดเลยเป็นธาตุกามหมด ท่านอาจจะคิดว่าเออพูดอย่างนี้ขอให้คนบวชให้หมดไม่จำเป็นที่จะต้องบวชหมดเอาแต่คนที่ต้องการที่จะปฏิบัติก็แล้วกันให้บวชแล้วก็จะได้รู้ความจริงบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้รับผลจริงแต่บวชไม่จริงเบียดทมอยบวชทำไยเปลี่ยนผ้า บวชเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าเสร็แล้วกายบวชจิตไม่ได้บวชจิตไม่ได้บวชแล้วจะได้อะไรอะจิตไม่ได้บวชนี่คือไม่ได้บวชด้วยศรัทธาในธรรมะไม่ได้บวชศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์บวชนี่เขาก็เรียกว่าบวชนั่นแหละก็เรียกว่าบวชนั่นเลยทีนี้เราเห็นไหมวันนี้แหละ มันมีอะไรที่เสื่อมเสียมากมีแต่เสื่อมเสียีนญาติโยมดูที่ว่าการออกจากกามนี่ออกจากกามถ้าหากว่าไม่แน่จริงออกไม่ได้มันมัดไอ้ตัวนั้นะไม่ว่าจะเป็นกามวัตถุหรือกามวัคกิเลสมันมัดมันไม่ได้มัดที่ขาที่แขนหรอกมันมัดที่จิตเลย มันเอาเมียมามัดมันเอาลูกมามัดไม่พออีกเอาตัวกูวมามัดเออมันมัดหมดมัดหมดวันหนึ่งเมื่อรลวงพ่อปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติไปอ ม, มองเห็นที่เท้าตัวเองมีเชือกเขาผูกเชือกว่าผูกเชือกก็ผูกรวมๆนี่ผูกเดินได้นี่แหละผูกเดินได้ หลวงพ่อ เ, เอานี่ไอ้เชือกนี้เลยตัวสําคัญก็เลยแก้เชือกนั้นทิ้งไปเลยนั่นบ่วงอวิชชาบ่วงอวิชชาบ่วงมิจฉาทิฏฐิโดยแก้ทิ้งไปเลยแต่ไม่ใช่เห็นกับตานะต้องเห็นกับปัญญาเห็นกับญาณต้องเห็นกับญาณ น, นี่ต้องเห็นอย่างนั้นมันจึงจะเห็นได้ ไม่อย่างนั้นมันเห็นไม่ได้แก้มัดดังนั้นเราทุกคนนี่โดนมัดนะโดนมัดมัดที่จิตมัดที่จิตจะเป็นกรมวัตถุจะเป็นการ ม, มกิเลสมัดที่จิตแมมนี้ที่มานั่งกันอยู่ที่ตรงนี้ก็มีบุญวาสนาเท่าไหร่แต่ถ้าบุญวาสนาบารมีไม่ ดึงมามาไม่ได้ที่นี้แหละมาไม่ได้จะหมักแล้วไม่ได้มาเอาตุระนั่นตุระนี้เนี่ยไม่มีบา ร, รมีจริงๆเลยมาไม่ได้มานั่งฟังที่ตรงนี้ไม่ได้ไ้ถือว่าเราทุกคนนี่มีบารมีมีบา ร, ร ม, ม, รรมีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มผูน บารมีนี่แปลว่าทําให้เต็มทําให้เต็มให้เราทําให้เต็มให้ความดีนั่นแหละมันเต็มเต็มเต็มเต็มงั้นชื่อว่ามีบารมีคนไม่มีบารมีแม้เกิดสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เอาหูไปนาวตาไปร้ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าคือใครก็เห็นพระธรรมดาธรรมดาองค์หนึ่งแก่นั้นเอง เอ็นสำคัญที่ตรงไหนอาจจะเกิดแล้วก็ได้ในชาติก่อนนี่ตามศาสนาตามที่ว่าแบบที่ว่าไม่ศาสนาหน่อยนะตามแบบที่ว่าเมื่อวิ ญ, ญญาณไม่ดับมันก็เกิดนั่นแหละวิญญาณไม่ดับเกิดทางรู้สึกว่าตัวกูของกูก็ได้เกิดตายตายแล้วก็ไปเกิดอีกก็ได้แต่ถ้าเราไม่เกิด ไม่เกิดความรู้สึกพอเกิดความรู้สึกกันว่าตัวกูไปแย้งทันทีว่าไม่ใช่กูถ้าเราปิดประตูที่ตรงนั้นนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีเดรจานก็ดีปิดขุมนรกหมดถ้าเราไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูนะ ขุมนรกกี่ขุมกี่ขุมโดนปิดหมดไม่มีทางไม่มีทางที่จะรับเราลงไปได้เลยจะลงนรกเหมือนพวกนั้นลงไปที่ก้นหมอ้อสามหมื่นปีขึ้นมาที่ปากหมอ้อสาม0มืนปีเพร็บเดียวลงไปแล้วลงไปแล้วใช้เวลาสามหมืนปี ทีนี้เรานี่เขให้เวลามนุษย์นี่เกิดมาก็าให้เวลาให้สมองให้สติปัญญากันมาทุกคนที่เรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุธาตุาดินธาตนา้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุแล้วก็ให้วิญญาณธาตุมาวิญญาณธาตุนี่มันมีอยู่ก่อนมันมีอยู่ก่อนอะไรทั้งหมด ก็มันส ง, งบแล้วก็มีวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นมาทีนี้ไอธ้ธาตุต่างๆมันออกมาผาสมผาสานกันทาให้เป็นโลกขึ้นมาเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมามนั่นเนี่ยคือาธาตุต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จริงเกิดขึ้นทีนี้พอเป็นเราขึ้นมาเนี่ยเป็นเราขึ้นมาเป็นเราขึ้นมาแล้วได้วิญญาณธาตุมาแล้ว เราต้องพัฒนาทีนี้ต้องพัฒนาพระพุทธเจ้าจึงแนะทางเดินให้เอกโสรไปทูลถามว่าแ้วพระอารหันนี่จะหมดจากโลกนี้ไหมพระเจ้ากาพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงพระองค์ตรัสว่าตราบใดที่ยังมีอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปด ยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังเดินตามอยู่อย่างนั้นโลกนี้จะไม่ขาดจากพระอรหันต์โลกนี้จะไม่ขาดจากพระอาหา ร, ะระอาหันต์เห็นไหมนั่นคือพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเองนะทีนี้เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อนี่เราก็ไม่ได้ประโยชน์ที่เรานะ่แต่ถ้าเราเชื่อ เราก็ต้อปฏิบัติที่พิสูตรกันที่ทีน่นี้เราเกิดมาแล้วปิสูตรที่ไหนพระอรหันต์เป็นยังไงพระโสดาบันเป็นยังไงพระสกิทาคามีเป็นยังไงพระนาคามีเป็นยังไงพระอรหันต์เป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงความไม่มีทุกข์เป็นยังไงนี่พิสูตรที่ทีน่นี้ทีนี้ถ้าเรามัวไปติดอยู่ ไม่มีโอกาสที่จะพิสูจน์เพราะการปฏิบัติกระท้อนกระแทนกระท้อนกระแทนพิสูจน์ไม่ได้เอาจริงเอาจังสักทีนึ่มันต้องพิสูจน์กันจริงจังไม่ใช่จริงจังเลยออกจากบ้านไม่ใช่อยู่ที่บ้านก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทํางานก็พิสูจน์ไปในงาน ที่ไหนที่มันมีปัญหาที่นั้นก็เอาปัญหานั้นแหละมาพิสูจน์ปัญหานั่นแหละคือตัวความทุกข์เอามาพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์มันมาจากไหนปัญหามันมาจากไหนมันมาจากเหตุนี่มันมาจากเหตุทั้งนั้นจากเหตุทีนี่ต้องดับเหตุดับยังไงยังไม่ได้ขุดบ่อเลยไอาน้ําที่ไหนน้ํามไม่มีต้องขุดบ่อ ขุดบ่ก็ต้องปฏิบัติตามเรียมักมีองแปรที่ขุดเข้าไปที่อยากขี้เกียจขุดบ่ธมมาทิติสรมมาสังกัปปปัญญาธมมาวาจาสรมมากามัรมโตสรมมาอชโวศีลสรมมาวายาโมสมมาจติสรมมาสมาธิสมาธิขุดบ่เข้าไปมีความเพียรมีความเพียรหนึ่งเพียรในการระวัง สองระวังแล้วมันยังเกิดปัญหาขึ้นมาจนได้เพียรในการละธนานะปัญหานั้นสมเพียรในการสร้างสี่เพียรในการรักษานี่ที่เรามาที่นี้แหละอาศัยที่ว่าเรามีบารมีแค่เราก็ต้องเร่งต่อไปเร่งความเพียรให้มากกว่า ที่เป็นมาแล้วเร่งความเพียรก็ไปเร่งก็ไปเร่งก็ไปอย่าให้ไฟมันดับถ้าไฟความเพียร น, นั้นมันดับเมื่อ่อนแอกันไปหมดสติก็มาไม่ทันปัญญาก็ไม่มีไม่ได้ฝึกไม่ได้ปรือไม่ได้วิจัยวิจัยนั่นแหละถ้าไม่เกิดปัญญาขึ้นมาเราต้องวิจัย ห้องวิจัยก็อยู่ที่ตรงนี้วัตถุดิบก็อยู่ตรงนี้ก็อยหาที่ไหนเกจาโลมานะขาตันตาตะโจน่ะวัตถุดิบห้องวิจัยก็อยู่ที่เดียวกวนี่อยู่ที่จิตที่ใจนั่นแหละวิจัยอะไรว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมานะเราไปชอบไปชอบหรือว่าไปเกลียดชอบอะไรชอบแนละ้วมันชอบอะไร เกลียดนะมันเกลียดอะไรไอ้ที่ชอบก็เอามาวิจัยไอ้ที่เกลียดก็เอามาวิจัยวิจัยให้มันเห็นตามความเป็นจริงไอ้ที่ชอบก็เรียกว่าเวทนานะที่ชอบก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนไอ้ผู้ที่กำลังชอบคือจิตนี้หคือวิญญาณนี่ตัวรู้นี่ ตัวรู้นี้ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตาตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนไอ้ผู้ชอบมันก็ว่างจากตัวตนพออนิจจังอนัตตาก้าไปจับมันก็ว่างจากตัวตนไอ้สิ่งที่ถูกชอบก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตาตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนไอ้สิ่งที่ไม่ชอบก็เอามาวิจัยอีกวิจัยแล้ว เพราะว่าจิตจิตนั้นมันว่างแล้วก็เห็นจิตเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากบัวตนสิ่งที่ไม่ชอบเอามาวิจัยอีกเอามาวิจัยเอ้ไปโงทนะ่ทําไงถ้าไปไม่ชอบก็ทําไมไปเกลียดก็ทําไมไปโกรธเกาทําไมไปอิจฉาริษยาก็ทําไมแล้วมันเสียอะไรเสียพลังเสียพลังจิตเสียพลังปัญญา ดันั้นไอ้สิ่งที่ไม่ชอบก็เห็นเป็นสุญญตาไอ้สิ่งที่ชอบก็เห็นเป็นสุญญตาผู้ที่เข้าไปชอบก็เห็นเป็นสุญญตาปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางทั้งตัวรู้ตัวรู้นั่นแหละตัวที่เข้าไปรู้นั่นแหละทั้งตัวรู้คือตัววิญญาณนั่นแหละ ปล่อยวางทั้งตัวรู้คือตัวที่กูรู้นั่นแหละปล่อยวางทั้งตัวรู้แล้วทั้งสิ่งที่ถูกรู้มีใครทีเนี้ยมันก็ว่างนั่นแหละตัวรู้ก็ว่างสิ่งที่ถูกรู้ก็ว่างมันก็เลยอยู่ว่างๆเลยทีนี้อยู่ว่างๆแต่ที่มันรู้นะอาศัยอะไรอาศัยสติปัญญาที่มันรู้ แล้วมันว่างยังไงมันว่างไม่ใช่ว่างจากสติปัญญามันว่างจากความโง่มันว่างจากราคะมันว่างจากโทสะมันว่างจากโมหะเห็นไหมนี่ก็คือมันว่างจากทุกเพราะมันว่างจากทุกมันก็มีสติปัญญาสติปัญญามันยังอยู่แต่สติปัญญานี้ก็ไม่ใช่กูไหว้า มีเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือที่จะได้เอาไว้ใช้เพื่อที่จะได้เห็นว่าจิตนี้ก็ว่างร่างกายนี้ก็ว่างตาหูก็ว่างรูปเสียงก็ว่างโลกนี้ก็ว่างสรรพสิ่งทั้งหมดว่างจากตัวตนนี่เห็นไหมเห็นแต่ว่างจากตัวตนนี่แหละคือมันหมด ตัวผู้รู้เองก็ไม่ถูกยึดมั่นถือมันสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่ยึดมั่นถือมันนี่ต้องใช้ปัญญาแล้วใช้ปัญญาพิจารณาถ้าว่าไม่ว่างไม่ว่างหยิบออกมาพิจารณาเลยทีนี้ก็ทำเป็นสมาธิก็จิตเป็นสมาธิแล้วหยิบขึ้นมาออกมาพิจารณาเลยพิจารณาจนเห็นว่า เป็นของว่างเห็นว่าเป็นของว่างนั่นแหละแต่มันก็ปล่อยวางทีนี้เพราะเห็นว่าเป็นของว่างเนี่ยมันก็ปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยมันไม่หนักมันไม่ห น, น, นักอันนี้ไอ้ที่มันหนักเพราะว่าเราเอามาแบกไว้เอารูปมาแบกรูปคือร่างกายนี้แหละเอามาแบกเอาไว้ว่าเป็นตัวกูเป็นของกูแบก อ้ไอ้ตัวกูของกูที่แบกอยู่นั้น no คือจิตน่ยมันแบกมันก็เปลี <S <s ่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมึงจะแบกได้หรืมันก็แบกไปแต่ว่ามันก็หัวเราะเพราะว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะมันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนเน่มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนมันก็เปลี่ยนจนหมดสภาพนั่นแหละมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่เราก็แบกแบกเพราะอะไรเห็นว่ามัน เป็นตัวกูของกูเป็นของเที่ยงร่างกายนี้เป็นของเที่ยงตาหูก็เป็นของเที่ยงหมดนเห็นเป็นตัวกูหมดเห็นเป็นของกูหมดเสร็จแล้วพอไปแบกอย่างนี้ไอ้ตัวนี้มันก็ไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วจ้าคนที่ฉลาดว่าโอ้ไม่ใช่แล้วนี่มันมาจากไหนความแก่มันมาจากไหนความเจ็บมันมาจากไหน ความตายมันมาจากไหนก็มันมาจากความเกิดเกิดอะไรเกิดความรู้สึกรู้สึกว่าอย่างไงรู้สึกว่าตัวกูนั่นแหละมันค่อยๆฉลาดขึ้นแทีนี้ค่อยๆฉลาดขึ้นฉลาดขึ้ น, นก็ปล่อยทีนีตัวกูก็พิจารณาไปเรื่อยๆืๆตัวกูมันอยู่ที่ตรงไหนแยกไปแยกมาไม่เจอตัวกูเจอแต่สิ่งสกรปรกทั้งนั้นเลย แค่นีมันมีแต่ความรู้สึกตัวกูนั้นมีแต่ความรู้สึกไอ้ตัวความรู้สึกนะั้นมันผิดเป็นมิจฉาทิฏฐินี่มันต้องเข้าสติปัญญาทีนี้สติปัญญาถ้าไม่ปฏิบัติมันจะได้มาอย่างไงธรรมชาติมันไม่ให้ฟรีๆหรอกไม่ใช่แจ ก, กันฟรีๆอย่างนั้นไม่ได้ต้องออกเรี่ยวออกแรงกัน ต้องปฏิบัติต้องขยันขันแข็งการปฏิบัติตามอริยมรักไม่องแปดขยันในการปฏิบัติขยันในการคิดขยันในการภาวนาขยันในการเดินเดินตามปกติของภาวนาเดินจงกรมก็ภาวนามันก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยไม่ใช่บังคับว่าภาวนาเวลาเดินจงกรมแค่ตรงนี้พอแล้วไม่ใช่ให้ยาวไปเลยยาวไปเลย พอรู้สึกว่าตัวเองเดินนี่ยกย่างขึ้นมาไม่ต้องเป็นนอหรอกไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูถ้าเดินหยาบๆยาก็ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูถ้าเดินช้าช้าก็ไม่ใช่กูยกไม่ใช่กูพอยกขึ้นแล้วก็ไม่ใช่กูเหยียบหลงไปไม่ใช่กูให้มันละเอียดกว่านั้นก็ยังได้เลยยกส้น ถ้าเราทำคนเดียวยกส้นไม่ใช่กูยกปลายเท้าไม่ใช่กูยกขึ้นกลางอากาศไม่ใช่กูจ้วงลงไปปลายเท้าจ้วงลงไปไม่ใช่กูส้นเยียบลงไปไม่ใช่กูนี่มันได้เยอะแยะเลยทีนี้จิตมันเรียกว่ารู้วมันแน่นถ้าเราปฏิบัติเดินจงกรมอย่างนี้รู้ว่ามันแน่น ถ้ารั่วไม่แน่นหนีหนีนั่นเห็นไหมมันจะหนีไปคิดเรื่องอะไรไม่รู้ไองโง่มันดึงไปอีกแล้วนั่นมันอุปาทานนั่นแหละความยึดมั่นถึงมันมันดึงไปอีกแล้วอีนี้ถ้าทําอย่างนี้นี่ให้โยมก็เดินสามเที่ยวแต่หลวงพ่อเดินเองเมื่อก่อนนอะสิบเที่ยวต้องเดินสิบเที่ยวไม่จบสิบเที่ยวไม่เลิกต้องสิบเที่ยว ทีนี้ทำยังไงเดี๋ยวมันจะหลงพอได้หนึ่งเที่ยวไปกลับหนึ่งเที่ยวหากว้นิวหนึ่งเที่ยวที่สองหากนิ้วหนึ่งอันนี้ง่ายมันได้สิบนิ้วถ้าสิบนิ้วก็สิบเที่ยวเดินปิดตาอยู่อย่างนั้นปิดตาแล้วกวเ็เดินเดินหยาบเดินละเอียดอยู่ที่เราเองแค่ต่อพอเราทา มันเข้าล็อกมันเข้าล็อกปัญญามันจะเกิดทันทีเนะวลาเดินก็เกิดปัญญาเวลานั่งก็เกิดปัญญาข้าวห้องน้ำห้องร่วมันก็เกิดปัญญามันจะเกิดผลิตขึ้นมาเองเนี่ยปัญญามันผลิตออกมาเองเนี่ยถ้ามันพร้อมแล้วถ้าเราพร้อมแล้วจิตสงบแล้วมันก็จะเกิดเกิดเห็นภายนอกเ like, กิดเห็นภายในเห็นข้างนอกเชนว่าเราเห็นข้างนอก เราก็เอามาพูดได้ <Bubble. S 2> ว่าเราเห็นภายในแต่เขาเห็นภายนอกเราเห็นภายในภายในกับภายนอกมันก็เลยเหมือนกันทีนี้แต่ว่าภายในเนี่ยมันเห็นที่เกิดเห็นที่เกิดเห็นที่ดับเห็นที่อาศัยมันภายในส่วนภายนอกมันเป็นเหมือนเงาอย่างนั้นเหมือนกับเงาอย่างนั้นนี่มันต้องเห็นจริงอย่างนั้นต้องเห็นจริง นี่มันเห็นไม่ได้เพราะมันขาดปัญญาปัญญามันยังไม่เกิดเราไม่ใช่ว่าเออเมื่ อ, อไรข้าวมันจะออกรวงทีออกรวงทีหวานเมื่อหวานเนี่ยมันจะออกรวงได้อย่างไงวันนี้ต้องทำตามขั้นตอนมันถไยถก็ไม่ใช่ครั้งเดียวมันจะได้ทีถไถเสร็จแล้วก็ถ่ายกลบอ่าถอ่าก็เรียกว่า Yes. ครั้งแรกก็เรียกว่าไถด่าไถด่าแล้วก็ไถแพรมันมีอยู่สามไถไถด่าแล้วก็ไถแปรพอไถแปรเสร็จหวานทีนี้พอหวานเสร็จไถกรบไถกรบอันี้พอไถกรบเสร็จมานั่งคว้าอยู่แล้วนั่งคว้าที่คันนาเมื่อไรมันจะออกรวงเมื่อไรมันจะออกรวงเมื่อไรจมันก็คนโง่ที ดัง น, นงนั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วก็จะเกิดขึ้นมา ท, าทันทีมันต้องเพิ่มพลังเข้าไปไม่ใช่กูครั้งหนึ่งเพิ่มพลังทีหนึ่งไม่ใช่กูครั้งหนึ่งเพิ่มพลังทีหนึ่งพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นตามที่จำก่อนตามที่จาตามที่เข้าใจก่อนแล้วต่อไปมันจะเห็นจริงเห็นจริง พอเห็นจริงเนะี่ยมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาทีนี้ดังนั้นปัญญามันเกิดได้หลายทางไม่ใชนั่งสมาธิอย่างเดียวเคี้ยวข้าวอยู่ก็เกิดปัญญาได้นั่งอยู่ในฐานช่วงก็เกิดปัญญาได้เกิดได้ทางนั้นแหละถ้าเราภาวนาเราปฏิบัติเกิดได้ทางนั้นเลยเกิดได้ทางนั้นไม่ว่าที่ตรงไหนโลกเกิดได้หมดนี่อากาลิโก อันผู้ศึกษาและปฏิบัติเรียกอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยการคือจะเกิดธรรมะนี้จะเกิดไม่ประกอบว่าการนั้นการนี้การโน้นไม่เกี่ยวสวาขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วฉันทิติโกอันผู้ศึกษาและปฏิบัติเพ่งเห็นได้ด้วยตนเอง อากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเกิดได้เกิดได้ตั้งนั้นไปดูซากศพก็ดูซากศพเหม็นเน่าป่วยจบ ก, กระปลกไม่เหมือนตอนที่เป็นๆตอนที่เป็นๆป็นดูสวยสมมติว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยสวยหลอ่อตายแล้วไม่หล่อเลยไม่สวยเลยเจ็ดแล้ว น้อมก็มาหาตัวเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเราตายก็ต้องเป็นอย่างนั้นอนี้ตายโดยไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีประโยชน์เลยประโยชน์กับตัวเองก็ไม่เกิดประโยชน์กับครอบครัวก็ไม่เกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ก็ไม่ไม่เกิดไม่เกิดทางนั้นหลวงพ่อก็เลยคิดว่าเมื่อก่อ น, นคิดว่าเออถ้าเรามีครอบครัวมีลูกมีเมีย ราก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงตัวเองไปอย่างนั้นเพื่อนไม่ได้ประโยชน์ลูกเมียก็ไม่ได้ประโยชน์ตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์แต่เราอยู่อย่างนี้เราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ด้วยการให้ด้วยการพูดให้เขาฟังด้วยการบรรยายด้วยอะไรต่างๆได้ประโยชน์กับผู้ที่ตั้งใจในการฟังในการปฏิบัติ ทีนี้ถ้าเรามีครอบครัวก็มีลูกมีเมีย ม, มีตัวเราเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองก็ยังทำไม่ได้แต่นี้เป็นงานที่รับมือมาจากพระพุทธเจ้ารับมือมาจากครูบาอาจารย์แล้วก็ออกมาปฏิบัติมาปฏิบัติแล้วเราก็สอนตามที่เรารู้ ไอ้ที่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ไอ้ที่รู้ก็ว่าไปตามรู้ว่าไปตามรู้สิ่งไหนที่ไม่รู้ก็ออกมาวิจัยวิจัยให้มันรู้ขึ้นมาว่าเรารู้ขึ้นมาแล้วแล้วก็พูดเต็มปากเต็มคำเต็มเต็มที่จะว่าพูดเต็มที่ไม่ขยกุกขยักอะไรออกมาไม่ยิกยิกยักยั ก, ยก รู้จริงเราก็พูดไปตามความจริงอย่างนั้นนี่เรียก ว, ว่ามันจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์กว้างขวางออกว่าไปเฮ้ถ้าเราทุกคนทําได้อย่างนี้ศาสนานี้ก็ไม่มีวันที่จะตันหรอกแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติแน่นอนถ้าโลกนี้ยังมีมนุษย์อยู่ กวรังเอาไปกินซะแน่ไม่มีทางคนไทยได้แต่ทำบุญทำบุญทำบุญให้ทานแค่นั้นพอให้นั่งภาวนาไม่เอาแล้วไม่มีเวลาจบแค่นั้นก็จบแล้วจบแล้วนี่หลวงพ่อเลยเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อยังไงกี่สิบปีที่หลวงพ่อเฝ้าวอยู่ที่นี้ล่ะ อยู่มาตั้งพอ1วเหน็ดเหนื่อยจนไม่มีปากที่จะพูดเรื่องเหนื่อยยังไงอ่ารการกบฉันก็ไม่ได้ทำบุญอย่างนี้ตั้งเหน็ดเหนื่อยทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันลำบากลำบนลำบากทุกอย่างทางขึ้นไม่มีคอยไม่มีน้าไม่มีที่อยู่ไม่มี นี่แต่แผ่นดินนี่แต่แผ่นดินมาอาศัยเขาเองแต่บางคนถามว่าหลวงพ่อเสียชีวิตแล้วจะมอบให้ใครถ้าช่างมันหลวงพ่อตายแล้วก็จัดการกันเองไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อหลวงพ่อก็มาพรอยอยู่เขาใครมีบา ร, รมีในการที่จะปกครองที่จะดูแลได้จะปฏิบัติมันก็ทํากันไปนี่ทำกันไปนไปี่ ต้องเอาอย่างนั้นไปหวงมันทำไมมันไม่ใช่ของกูนี่แผ่นดินมันก็ไม่ใช่ของกูดินน้ำลมไฟของกูที่ไหนมันก็กลับไปสู่ดินถูน้ำถูควยสูลมสูอากาศชะธาตุทีนี้ไอ้วิญญาณธาตุของเราเมื่อเราพัฒนาพัฒนาให้เกิดความฉลาดขึ้นมาของกูมันจะอยู่ที่ไหนว่าตัวกูมันไม่มี ตัวกูคืออวิชชามันไม่มีเลยของกูจะมีได้ยังไงนี่เมื่อตัวกูมันไม่มีแต่ถ้ามีตัวกูไอ้นั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูวัดของกูที่ดินของกูภูเขาของกูนี่ยมันบ้าแล้วถ้าอย่างนั้นนี่ลืมไม่ได้สิ่งนี้ลืมไม่ได้เรียกว่าอย่าลืมคิดว่าวัดของกูอย่าลืมอย่าลืมไปเผลอว่าวัดของกูพูดร่าวัดของกู แต่ว่าข้างหน้ายมพูดว่าไม่ใช่มาปลอยอาศัยเขาชั่วคราวมาปลอยปฏิบัติอยู่ชั่วคราวเพราะสะดวกในการปฏิบัติสะดวกในการเผยแพร่ธรรมะให้ญาติโยมให้ผู้อื่นเขานี่เห็น ไ, ไหมก็ต้องทำกันอย่างนี้ต้องทำกันอย่างนี้ฉะนั้นหลวงพ่อตายไปแล้วก็หลวงพ่อก็ไม่ได้ตายหรอกตายยังไง จิตวิญญาณที่หลวงพ่อให้ไปนี่เนี่ยท่าเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วท่านก็หมดทุกหลวงพ่อตายยังไงนั่นก็อยู่ในท่านทุกๆคนนั่นแหละแกเอาไปปฏิบัตินั่นแหละหลวงพ่อก็อยู่ในท่านนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่หลวงพ่อแล้วเกิดสติปัญญาสติปัญญาตัวนั้นก็อยู่ในท่านทุกๆคนนั่นแหละทั้งเป็นผู้หญิงทั้งเป็นผู้ชายแกก็ทําหน้าที่ เมื่ท่านรู้แล้วท่านก็ทำหน้าที่เหมือนที่หลวงพ่อทานี่หรืออยู่ทางบ้านท่านก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกับคุณประเสรฐนี่ก็ทำหน้าที่ได้เห็นไหมให้เรารู้อย่างเดียวปฏิบัติเรารู้อย่างเดียวเราก็ปฏิบัติได้เราก็ทำได้นี่มันทำได้ทั้งนั้นแต่ว่านี่ข้อสำคัญให้เราจริงนี่ให้เราจริงดิ ปฏิบัติให้มันจริงให้มันจริงให้มันจริงอย่าข้าวข้างอาวิชาตัญหาอุปาทานแล้วก็ข้าวข้างฝ่ายความทุกข์อย่าไปข้าวข้างมันต้องรู้ทันมันไอ้ต้องรู้ทันไอ้เรื่องเมื่อคืนที่หลวงพ่อพูดค้างเอาไว้นั่นแหละในเรื่องที่ว่าสัมมาสังกัปโะความดำรี ในการไม่มุ่งร้ายความดำริในการไม่เบียดเบียนความดำริในการไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายเสร็จแล้วก็ข้าวปอะโยชน์จำมาสังกับโปความดำริในการออกจากกามโลกคิดออกจากกามคิดออกจากากามกิเลสกามวัตถุนั่นแหละก็มันก็เลยไปลงที่ศีลนะเห็นไหม ถ้าศีลเราไม่ล่วงเกินปาณาติบาตอตินนาทานกาเมรุมิจฉาจารไม่ล่วงเกินศีลทุกข้อทุกข้อทุกข้อทุกข้อเราไม่ล่วงเกินเมื่อเราไม่ล่วงเกินหลวงพ่อก็บอกว่าเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นทุกอย่างเพื่อผู้อื่นหมดเรารับศีลนี้ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นแต่เราสบาย เพื่อ ผ, ผู้อื่นแต่ว่าจิตเราสบายจิตเราสบายเอาทีนี้สมัยของพระศรีอานหรือพระศรีอริยเมตไตรนะที่บอกว่ามีบ้านไม่มีคนอยู่มีผ้าไม่มีคนนุ่งมีข้าวไม่มีคนกินมีทางไม่มีคนเดิน มันไม่มีทางนั้นเพราะมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่แล้วมันมีอะไรมันก็ว่างจากตัวตนนี่ว่างจากตัวตนเอ็นี้เขาบอกว่าชไซน์หมาพระศรียาเมตรัยนมีขุมทรัพย์สี่มุมเมืองขุมทรัพย์สี่มุมเมืองใครที่ทํามาหากินเหลือเฟืออ้าวเหมือนกับว่าเก็บภาษีอย่างนั้นแหละ เอาไปกองไว้มุมเมืองหนึ่งเช่นว่าเรื่องเสื้อผ้าไปกองไว้ที่โกดังหนึ่งติดหนึ่งเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอุปรกรณ์การสร้างบ้านสร้างเรือนเอาไปกองไว้ที่หนึ่งมุมเมืองหนึ่งทีงนี้เสร็จแล้วที่อยู่ที่อาศัย ยารักษาโรคคือเสื้อผ้าอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคสี่มุมเมืองพอดีลงแช์กันเหมือนกับว่าเอา้าพวกเรานี่แหละอยู่ในเมืองนี้มีคนเท่าไหร่นี่ก็แช์กันเลยจะเอาเสื้อผ้าเราจะใช้สำหรับที่ว่าจำเป็นจริงๆ ก็ละห้าชุดมากแล้วก็ละห้าชุดนมากแล้วทีนี้ไอ้ที่เหลือโนเอาเก็บไปไหว้โกดังเก็บไปไหว้โกดังที่หนึง่งบมเมืองหนึง่งอาหารการกินเอาแต่พอดีพอดีพอ ด, พอดีอยู่กี่คนอะไรกี่คนไอ้ที่เราทํามาทั้งเดือนทั้งปีน่ยที่เหลือเข้าไปเก็บไว้เอาเก็บเก็บไว้บมเมืองหนึง่ง นี่เสื้อผ้าอาหารการกินอุปกรณ์เรื่องการก่อสร้างเอาเอาไว้มมเมืองหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับว่าโรงพยาบาลอย่างนั้นก็มีโรงพยาบาลมมเมืองหนึ่งนี่ทีนี้เป็นยังไงลราก็อยู่เสมอกันหมดทีนี้อยู่เสมอกันหมดจะลักขโมยเอาไปไหนทุกคน เพื่อผู้อื่นเพื <ผ desserts S 1> ่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นเลยเพื่อผู้อื่นทางนั้นเลยถ้ามีบ้านไม่มีคนอยู่ก็มันไม่มีคนไอ้บ้านมันก็ว่างไม่ใช่ว่างไม่มีคนมีคนแต่คนก็อนิจจังอนัตตาสุญญตาคนนั้นก็ว่างจากตัวตนไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเข่าไอ้เสนาสนะคือบ้านช่องมันก็ว่าง บ้านนั้นมันก็ว่างคนที่อยู่ก็ว่างทีนี้พอลงไปจากเรือนคนเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าลูกใครเมียใครพ่อใครแม่ใครเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าหน้าตาเหมือนกันเหมือนกันที่มีปากหูจมูกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่เหมือนกันที่ตรงนั้นเหมือนกันที่ทุกคนมีสีนหน้า ครบทุกคนมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขามีจิตที่ประกอบด้วยเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์แก่สัตว์เดรัจฉานแก่ป่าไมา้แก่ธรรมชาติมีจิตเมตตาไม่ไปทำลายสิ่งต่างๆเป็นโยกายกันอย่างธรรมชาตินี่เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นไปเห็นใครก็เหมือนกันหมด จิตนะมันเหมือนกันหมดนี่แห็นไหมไอ้นี้จิตที่เหมือนกันหมดนั่นก็จิตว่างอีกนั่นแหละถ้าจิตว่างก็เหมือนกันหมดจี่คนจี่คนพระที่อยู่ในวัดนี้จะดู ก, กี่รูปก็าตามถ้าจิตว่างอง์เดียวพระที่อยู่ทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่องเดียวเท่า น, นั้นองเดียวคือใครจิตว่างจิตว่างคือใคร พระธรรมนี่พระธรรมพระธรรมพระธรรมที่เป็นสุญญตานั่นแหละคือว่างว่างว่างว่างจิตว่างเพราะฉะนั้นลงจากเรือนเห็นคนนั้นคนนี้เหมือนกันหมดมีข้าวไม่มีคนกินมีบ้านไม่มีคนอยู่มีผ้าไม่มีคนนุ่ง ม, มีสมบัติอะไรต่างๆก็เอาไปเก็บ ไว้เป็นที่เป็นทางใช้เท่าที่มีแต่ไม่ใช่หยุดทำไม่ใช่หยุดทำยังทํากันไปอย่างนั้นใครมีความสามารถมากก็ทําไปทำเสร็จแล้วก็ไหวโกดังไห้ส่วนกลางส่วนกลางทางนั้นเป็นคมนิตก็ไม่ใช่ประชาธิปะตะไบก็ไม่ใช่ก็เรียกว่าธรรมมาธิปะตะไบธรรมมาธิปไตยเพราะว่าคอมนิต พูดว่าเอาไปแช่กันนั่นแหละแต่โกงกันแต่บ้านหันแหลกเลยประเทศจีนนั่นเลยโกงกันจนถูกประหารชีวิตก็มีนั่นขอมมนิษก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ไม่ใช่อาหมู่มากลากไปประชาธิปไตยหมู่มากลากไปเดี๋ยวนี้เขาประชาธิปไตยประชาธิปไตยทีนี้ถ้าหมู่คนชั่วมาก啊 ถ้าคนชัวนะ่วเนี่ยมันลากไปถ้ามูคนดีมากคนดีเนี่ยก็ลากไปแต่คนดีในที่นี้ถ้าคนดีมากคนดีนเนี่ยเขาเพราะเขาปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมก็เป็นธรรมมาทิปไตยเป็นธรรมมาทิปไตยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมสัพเพธรรมมาสิ่งทั้งปวงจะเพธรรมมาณสิ่งทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นอากาศไม่เป็นอะไรธรรมะทั้งหมดคือสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงนั้นเราจะต้องไม่ไปทำลายสิ่งทั้งปวงนั้นเอาแต่พอดีพอดีพอใช้วันที่ภาคีสานั่นแหละภาคีสานบางจังหวัดบางตาบลเนี่ยเขาก็ใช้ป่าร่วมกัน ทีนี้เขก็ไปหาของป่าไปหาเห็ดไปหาหน่อไม้ไปหาอาหารป่าเอามากินเอามาช้แม่แต่ในประเทศลาวเขาบอกว่าประเทศลาวเมื่อก่อนออกไปในป่าไปถึงก็วันนี้จะเอาปูก็เลยเพราะว่าปูกนะูบ้านเรานะมันอยู่ในนา แต่ปูที่อยู่ในป่านะมันจะอยู่ได้ร่มไม้ใหญ่ๆแล้วมันก็ขุดรูเข้าไปอยู่เนีก็ไม่ไปเอาปูพอได้มือหนึ่งเขาก็กลับบ้านแล้วพอแล้วไม่ต้องเอามาตุนเป็นหอยหอยเป็นตุ่มตุ่มอย่างนั้นทีนี้คนอย่างนี้มันไม่ได้ความโลภมันมาก ประสาทศาสนาแห่งพระศีา่านก็จะเกิดไม่ได้ดังนั้นคือเขาใช้ธรรมชาติไม่คุ้มเฟือยใช้ไม่คุ้มเฟื่อยทุกอย่างก็ไม่คุ้มเฟือยก็พอดีพอดีพอดีพอ ด, พอดีเหมือนแรกแรกในการที่เกิดโรคโรคนี้ขึ้นมาพนอะเกิดโรคนี้ขึ้นมาข้าวสาลีก็เกิดเอง เกิดขึ้นมาเองไม่ต้องหวานไม่ต้องไถไม่ต้องดำไม่ต้องใสปุ๋ยไม่ต้องอะไรมันเกิดขึ้นมาตอนเช้าออกรวงตอนเช้าตอนเย็นสุกแล้วสุกแล้วนี่เพราะว่าปุ๋ยมันดีอะไรมันดีมันสุกแล้วอยู่แล้ว ก, ก, ก็ไปเก็บไปเกี่ยวกันไปเกี่ยวเอาพอได้เวลาก็ไปเอามาอีกทีนี้ความโลภมันเกิดพอความโลภมันเกิด ของมึงของกูก็เกิดแล้วทีนี้ของกูนี่ของกูจากนี่ไปถึงนั่นของกูจากต้นไม้นั่นไปต้นไม้นโน่นของกูนี่ของกูทีนี้นี่มันเกิดของกูขึ้นมานั่นคือมันไม่ได้พัฒนาจิตที่ไม่ได้พัฒนาพอเกิดของกูขึ้นมาเป็นยังไงทีนี้ลักกโมยกันทีนี้ไปเก็บไปเกี่ยวของ ของคนอื่นรักขโมยกันก็อธินนาทานมันก็เกิดนี่เกิดข้ออธินนาทานก็บาราธิบาตมันก็เกิดมันก็ทั้งร้ายจึ่งกันเลยกันเลือกทีนี้ต้องเลือกในกลุ่มนี้แหละหมู่บ้านนี้แหละมีกันร้อยคนเลือกทีนี้เลือกคนที่มีคุณธรรมที่สุดให้มาว่าเราจะเอาใคร ทีนีได้ผู้ที่มีคุณธรรมก็คือคนที่มีศีลคนที่ไม่เห็นแก่ตัว<ม>เพื่อผู้อื่นทำอะไรเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นทางนั้นของตัวเองก็พอดีพอดีเสมอภาคกันทางนั้นก็เลือกได้ได้คนที่มีสติปัญญาขึ้นมาก็เลยชูมือกันเรียกว่าราชาราชาราชาผู้นำ ราชาคือพร ะ, ะราชาพระราชาก็หมายถึงว่าผู้นำเรามีผู้นำแล้วเรามีผู้นาแล้วราชาราชาราชานี่อย่างนี้มันก็เลยต้องบัญญัติขึ้นมากฎของสังคมก็ต้องเกิดมีขึ้นมาทีนี้กฎสังคมก็ต้องต้องมีสีลห้าทีนี้ต้องมีสี่ห้าแล้วใครไม่มีสีลห้าไม่ได้กาเมทรุมิจฉาจาร์ไม่ได้ โรกเขาเมียเขาไปยุ่งไม่ได้หรือว่าตอนแรกอย่างนี้น่ะที่มันยังเป็นเถือนกันอยู่มันก็ไปเสพกามเหมือนเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นนะเสพกามเหมือนเหมือนสัตว์เดรัจฉานกลางทุ่งกลางนาที่แจ้งอะไรอย่างนั้นทีนี้พอดูแล้วมันอุจจาดตาอุจจาดตาก็เลยบัญญัติกันขึ้นมาต้องไปทำในที่ลับถ้าใครทำในที่แจ้ง แล้วก็ไปทําไปเสพกามกันกับลูกกับเมียผู้อืน่นหรือไปทําในที่แจ้งที่โลง่งโดนทีน่นี้ลงทันลงทันโดยประชาชนนั่นแหละที่เราสัญญากันไว้แล้วก็เลยเอาก้อนหินตอนไม้อะไรพวกนี้เนี่ยกว้างกันกว้างพวกนั้นนหะก็เลยต้องทําบ้านทําช่องอยู่ในถ้าอยู่ในโปรงไม้ มีกระตอบมีอะไรจนพัฒนาเป็นตึกเป็นอะไรยี่สิบชั้นกี่ร้อยชั้นก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้นี่เห็นไหมนี่เรียกว่ากฎของสังคมในข้อนี้ข้อมูลสาวาทก็ต้องมีกฎขุ้รากาก็ต้องมีกฎนี่คือกฎประจำตัวเรียกว่าเป็นกฎของสังคมทีนี้สังคมทุกๆสังคม ต้องมีกฎห้าข้อนี้เราดูแต่ว่าสังคมเราในประเทศไทยนี้มีคนกี่สิบล้านแล้วมีใครที่ถือกฎสังคมนี้อาญามีไมมนักการเมืองโกงลูกเดียวโกงลูกเดียวอธินาทานอย่างเดียวกอมิชชั่นอย่างเดียวนี่ทีนี้ชาวบ้านก็ลำบาก เห็นแก่ตัวเอาทีนี้นายทุนนายทุนก็เห็นแก่ตัวนักการเมืองก็เห็นแก่ตัวคนธรรมดาสามัญก็เห็นแก่ตัวมีศีลกันไหมทีนี้ศีลนี่มันเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นแต่แล้วนี่มันเห็นแก่ตวัวเราก็อยู่ในระหว่างคนที่เห็นแก่ตัวท้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้นี่เรามาปฏิบัติธรรม ก็เพื่อที่จะละความเห็นแก่ตัวแล้วก็ละความมีตัวนี่ละทั้งความเห็นแก่ตัวละทั้งตัวละมันหมดทีนี้มันก็อยู่ยากเห็นหมอยู่ยากเราไม่ต้องกลัวอยู่ยากอยู่ง่ายเราไม่ต้องกลัวเราทาตัวเราเองเราทาจิตให้มันถูกต้องก็แล้วกัน ให้มันถูกต้องนี่ถ้าเราทำจิตให้ถูกต้องเราทำกายวาจาให้ถูกต้องแล้วเราทำสติปัญญาให้ถูกต้องมันก็จะถูกต้องไปหมดเราก็จะอยู่ด้วยความสบายของเราเรามีน้อยเราก็ใช้น้อยเรามีมากเหลือเฟือก็ช่วยเหลือผู้อื่นกันไปอะไรกันไปชดเจือกันไปว่ากันไปนี่เรียกว่า การปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่เราต้องคิดว่าเพื่อผู้อื่นทีนี้พอเราปฏิบัติได้มาแล้วสมมติว่านะสมมดว่าเราได้มรรคผลนิพพานนเราเอาไว้กับตัวเองเราไว้ทําไมไม่เจ้า ไ, ไรไอ้ไอ้ไอน้นี้ไอ้เปลือกนี้มันก็ตายไปพอเปลือกนี้มันตายไปมันไม่มีสื่อในการที่จะพูดให้คนอื่นเขาฟังแล้ว นี่ดันั้นพอเราได้มาแล้วมรรคนิพานให้ใครทีเนี้ยให้ตัวเองตัวเองก็ไม่มีแล้วมันว่างแล้วมันว่างจากราคาตทวสาโมหะแต่ว่าไอ้ตัวเองที่เป็นนามธรรมไอ้ว่างนั้นแหละมันเต็มไปด้วยสติปัญญาในตัวว่างนั้นเลยเต็มไปด้วยสติปัญญาที่ไม่ถูกยึดมั่นถือมัน่น ท่ทีปัญญาตัวนี้เราก็เลยชดเชยให้คนอื่นให้เขาไปให้เขาไปให้เขาไปให้เขาไปปฏิบัติเพื่อให้แอนไหมปฏิบัติให้ตัวเองมันหลุดหลุดแล้วก็เพื่อที่จะให้ให้ผู้อื่นนี่เราที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้สามสิบสามสิบกว่านี่ถ้าเราทําอย่างนี้กันทุกคน ไม่มีคําว่าหมดไม่มีคําว่าตายเราเองก็ไม่ตายคนอื่นก็ไม่ตายศาสนานี้ก็ไม่ตายไม่ตายไม่มีใครที่จะตายสติปัญญามันจะตายได้ยังไงสติปัญญามันไม่มีตัวตนนี่มันจะตายได้ยังไงสติปัญญาขี้โกงที่มันมีตัวตนแต่สติปัญญาที่เป็นสุญญตานี่มันไม่มีตัวตน มีขึ้นมาเราก็ไม mm ่ย hmm. ึดม yup. oh, ั ah, ่นถือมั่นกันยึดมั่นถือมั่นมันมันก็ว่างจากตัวตนปฏิปัญญาเน้นก็ว่างจากตัวตนนี้สติปัญญานี้เรื่องของการทำมากินอะไรก็เหมือนกันถเราสติปัญญาตัวนี้แหละเข้าไปแทรกแทรกสติปัญญาที่มันเห็นแก่ตัวน่ะให้ปสติปัญญาที่มันเห็นแก่ตัวและมันออกไปเสียให้เหลือแต่สติปัญญาที่มันเป็นสติปัญญาแท้ ที่เป็นวิชาไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนนี่สติปัญญานี้การนั้นสติปัญญานี้ไม่มีตัวตนสติปัญญาที่มีตัวตนก็คือสติปัญญาของกลโกงของกลโกงแต่นี้เราไม่ต้องการอะไรทางนั้นมีสติปัญญาก็ให้ผู้อื่นมีสิ่งของมีทรัพย์สมบัติอะไรเหลือจากหนึง่งเราก็ให้ผู้อื่น มีแต่เพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นหลับตาดูว่าถ้าคนในโลกนี้ทั้งโลกถือศีลเพื่อผู้อื่นกันทุกคนในโลกกี่พันล้านแปดพันล้านกว่านะทุกคนเพื่อผู้อื่นถ้าเพื่อผู้อื่นแล้วโลกนี้จะเกิดศาสนาพระศริลัญเมตรตร ในกระพริบตาเดียวเลยนี่เห็นไหมเพราะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันคนที่ร่ํารวยมหาศาลก็ช่วยเหลือคนที่เขายากจนที่เขาลาบากที่ไม่มีอะไรกินช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขานั่นแหละศาสนาพระศิษอ่านจะมาถึงทีนี้ตอนนี้มันถึงได้ยาก เพราะมันแพาน้ามันยังไม่หมดมันผพานทรัพยากรธรรมชาติยังไม่หมดพอมันพลานหมดเกิดกลิยุคขึ้นมาเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเกิดสึนามิเกิดแผ่นดินไหวเกิดภูดเขาไฟระเบิดตายกันไม่ต้องนับทีนี้ทีนี้มันก็เหลือน้อย เหลือน้อยทรัพยากรธรรมชาติก็เหลือน้อยฟืนไยอะไรก็เหลือน้อยต้องกลับสู่ที่เดิมดินี้พวกนี้กลับสู่ที่เดิมไม่มีค ว, า, ว า, ายคว้าใช้ไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรแล้วที่มันพุ่งเฟื่อยอยู่กันแบบพอดีพอดีอยู่กันแบบพอเพียงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน นี่มันเพื่อผู้อื่นทำอะไรก็เพื่อผู้อื่นเห็นอกเห็นใจต่อกันและจันและกันคนที่เหลืออยู่เท่าไหร่มีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ไม่เบียดเบียนกันไม่อะไรกันนั่นแหละศาสนาพระสีอ่านมาถึงไอ้พวกนี้ทำอะไรงานก็ทำไปแต่เสร็จแล้วมุ่งหวัง ในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมจนได้มรรคผลนิพพานถึงที่สุดคนพวกนี้ก็เลยอยู่กันสบายวัตถุไม่พอก็เฉลี่ยกันเขาก็เฉลี่ยกันมีอะไรก็เฉลี่ยกันนี่แหละศาสนาพระศรีอ่านจะมาถึงแต่ว่ า, าศาสนาพระศรีอ่าร์น้อย เราเองให้อยู่ให้จิตนี่เป็นอยู่ในศาสนาพระศรีอานก็ได้เพราะจิตที่มันรู้จักว่าที่มันรู้ว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วเครื่องนุ่งห่มพอแล้วอาหารการกินพอแล้วที่อยู่ที่อาศัยพอแล้วยารักษาโรคพอแล้วเพราะมันรู้จักคำว่าพอแล้วสบาย มันสบายเนี่ยมันพอแล้วนี่แต่นี่ที่มันไม่สบายเพราะอะไรเกิดเวทนาขึ้นมาตัณหาจับทันทีเลยอ้าปากไว้ก่อนตนนะัณหาเนี่ยมันก็เลยไม่พอแลยเนี่ยมันไม่พอเลยอ้าปากเห็นควันเห็นเขี้ยวเลยตัณหานั่นพอเกิดเวทนาขึ้นมาเราจัดการกับเวทนานะกับตัณหา ด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่นเวทนาเวทนาที่เกิดทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจความพอใจไม่พอใจเกิดดับไม่ใช่กูว่างจากตัวตนดับที่ตรงนั้นเพราะดับที่ตรงนั้นตัณหาไม่มีโอกาสที่จะได้เกิดที่นี้ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะเราไม่อยากแล้วนี่ก็เราไม่อยากแล้วนี่มันจะเกิดอะไรทีนี้นั่น ตระหนัเกิดไม่ได้เราหยุดอยากเราหยุดอยากเราหยุดอยากจิตของเรารู้จักว่ามันพอมันพอมันพอแต่ไม่ใช่พอแล้วก็ขี้เกียจทำพอพงของตัวเองแลวก็พอแล้วทำไปตามความสามารถตัวเองมีพลังมากมีอะไรมากกว่าทำไปแต่แล้วก็ชดเชยคนอื่นเขาที่มีกำลังน้อยคนแ้าคนแก่ ชระพภาพอะไรอย่างนี้ก็ช่วยเหลือชึ่งกันในกันอย่างนี้นั่นแหละยุคพระสีอาญเกิดแต่เราเอาพระสีอาญนั้นมาว่าที่จิตใจของเราก่อนตอนนี้เราก็ทําเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นคิดเพื่อผู้อื่นปฏิบัติเพื่อตัวเองมันหลุดหลุดแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นก็เพื่อผู้อื่นพระพุทธเจ้าก็เพื่อผู้อื่นเจ้าไรก็ไปสี่สิบห้าปีเพื่อผู้อื่น แล้วก็ไหนพระพุทธเจ้าขึ้นเครื่องบินไหมไม่มีเครื่องบินที่จะให้ขึ้นวนเวียนอยู่แถวนั้นแหละเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่ไม่กี่จังหวัดหรอกนี่พระพุทธเจ้าไปช่วยเหลือคนนั้นไปโปรดคนนี้พอพระองค์แก่เท่าต่างร่างกายคนก็ไปควังถึงวัดเลยวัดเจดวัน ก็ไปถึงวัดท่านเลยของพระองค์เลยเอพระก็ไปไปอยู่ก็เพื่อสิ่งนี้นะก็เพื่อสิ่งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อผู้อื่นนั่นแหละเพื่อตัวเองหรืก็เพื่อผู้อืนนออออ่นแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองจนกระทั่งเหลือล้นไม่เอานี่ก็ไม่เอาคนปฏิบัติธรรมมันก็พอพอก็มีคำว่าพอได้มามากแต่ว่าตัวเองกินเท่านี้ ใช้เท่านี้นอกนั้นเพื่อผู้อื่นทีนี้ถ้าในโลกนี้นายทุนทั้งหลายคิดได้อย่างนี้พอคิดได้อย่างนี้มันเหลือทีนี้มันเหลือที่เอาแถวแอฟริกานะ่ยท่นอดอ ด, อ, ดอยากอยากกันก็ช่วยเหลือช่วยเหลือเขาก็ลำบากแห้งแล้งคนไม่ตกที่ตั้งสิบปีอย่างเนี้ย วันแห้งแล้วก็ช่วยกันแต่เสร็จแล้วลองคิดดูดิเขาบอกว่าจะปล่อยดาวอังคารใช้เงินกี่หมื่นล้านก็ไม่รู้กี่หมื่นล้านก็ไม่รู้นี่ยังไม่เรียกว่ายัางไม่นัน้นตอนนี้แอ้ที่ไอ้เงินที่เป็นหมื่นหมืนล้านน่ะเอาไปปรานเสีไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารนี่ แค่ช่วยเหลือผู้อื่นที่อยู่ในโลกนี้มันเหลือที่จะกินเหลือที่จะใช่อย่างนี้นี่มันเห็นผิดเห็นผิดมันมีแต่ตัวกูตัวกูตัวกูไปทำไมมันไปทำไมมันมีหลายหลายเรื่องมีหลายหลายอย่างเพื่อจะคมคู่ประเทศอื่นกู้แข่งเพื่อที่จะคมคู่ประเทศเล็กๆน้อยๆนีนเ่เห็นไหม มันผลประโยชน์มันทางนั้นเลยผลประโยชน์มันทางนั้นมันตัวกูทางนั้นมันมีแต่ตัวกูทางนั้นทีนี้นายทุนทั้งหลายว่ารัฐบาลที่เป็นนายทุนนายทุนนั่นแหละถ้าเห็นจุดนี้ได้ก็เฉลี่ยกันทั้งโลกเลยช่วยเหลือกันทั้งโลกทั้งโลกช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันน่าอยู่โลกนี้มันน่าอยู่อย่าไปทําลายธรรมชาติ อย่าไปทำลายป่าไม้ทำลายแม่น้ำทำลายตะเลอย่าไปขุดอะไรมาเอามาใช้เอามาผลานหมดน่าอยู่ได้มีแต่คนพอเห็นหน้ากันเห็นหน้ากันแล้วก็จกสบายใจสบายใจสบายใจเงื้นเราปฏิบัติธรรมนั่นแหละคนที่มาปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมกันชุดขาวชุดขาวชุดขาวนี่แหละ พอปฏิบัติถ้าเราอยู่หลายวันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีแต่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทางนั้นเลยแต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับพระนี่แหละพระปฏิบัติธรรมกับพระไม่ปฏิบัติธรรมพระปฏิบัติธรรมไปอยู่ในวัดที่ไม่ปฏิบัติธรรมผิดโคกแล้วข้าวผิดคอกแล้ว วัวก็ต้องข้าวค้อหัวไม่ใจหัวไปข้าวค้อควายมันอยู่ไม่ได้อย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้หัวต้องข้าวข้อวัวควายก็ไปข้าวค้อควายต้องไปอยู่ด้วยกันเราก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติธรรมเราก็เป็นกลุ่มของเราผู้ไม่ปฏิบัติธรรมก็ไปกันดิไอโซทั้งหลายไอโซทั้งหลายใคะจะเอาอะไรสะดวกระบาย อะไรก็ดีดีดี ด, ด, ดีดีหมดมันก็ไปกันที่ใหโซก็อยู่กับให้โซให้ไม่โซก็ต้องอยู่กับให้ไม่โซนี่ผู้ปฏิบัติธรรมก็อยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมกันอย่างนี้มันช่วยเหลือชึ้งกันเลยกันนี่มันก็เลยมีความอบอุ่นถ้าเราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันไม่รู้จะอิจฉากันทําไมไม่รู้จะริษยากันทําไมอะไรยังไง ใจเดียวกันหมดเหมือนกับวันมาคบูชานะพระอารหันต์ทางนั้นเลยในวันมาคบูชาป2 5 0รหบรูปพระอารหันต์ทางนั้นแต่นี้คืนนั้นวันเป็นคกนวันเป็นวันเป็ น, นไม่ใช่เป็นแต่ข้างบนเป็นอยู่ในจิตใจของพระอารหันตทุกๆรูป พระอ่านทุกรูปท่านมีแต่ความรู้ท่านมีแต่ความสงบเย็นกิเลสไม่กล้าที่จะหือขึ้นมาแล้วนั่นดวงจันทร์ภายในต่างหากที่สงบเย็นดวงใจภายในนั่นส่องแสงสว่างของทุกๆรูปทุกๆนามที่อยู่ในนั้นนั่ น, นคือพระจันทร์วันเป็นพระจันทร์วันเป็นบนฟ้า มันอะไรนะมันก็าธาตุอย่างหนึ่งมี่แต่ธาตุอย่างหนึ่งรับแสงมาจากดวงอาทิตย์เสร็จแล้วก็ได้แสงระเรือระเรืออยู่แต่ยอดแสงภายในจิตของเรานี่คือความสงบจิตที่มันสงบเหมือนกับแสงจันอย่างนั้นมันสงบเย็นด้วยนั่นเคือมันสว่างเพราะเมื่อก่อนมันมืด ไม่เป็นพระอาหารหันมันมืดมันมืดด้วยราคะโทสะโมหะแต่พอมีโรดข้าไปดับมันก็เลยทำให้สว่างขึ้นมาพอดับราคะโทสะโมหะอาวิชชาก็กลายเป็นวิชชาขึ้นมาแสงสว่างมันก็เกิดอะทีนี้เกิดแสงสว่างคือแสงสว่างแห่งปัญญาเมื่อก่อนในที่มืดอะคือมันโง่มันโง่มันมืดมันบอด มันมืดมันบอดเพราะฉะนั้นเราทุกอย่างเลยต้องให้เข้าใจให้เข้าใจให้เข้าใจให้ได้ทีนี้เวลาก็เห็นว่านาน่าจะพอสมควรแล้วพูดมาเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเรื่องกรรมเ ร, เ, เรื่องกรรมเรื่องกิเลสเรื่องกรรมเรื่องวิบากเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมากมายฉะนั้นให้ท่านเอาไป ได้ซีดีแล้วก็เอาไปฝังหลายหลายเที่ยวกวังหลายหลายเที่ยวเที่ยวเดียวมันไม่ค่อยเข้าหรอกควังหลายหลายเที่ยวเช่นว่าตารูจะกูวิญญาณปัจจาวิธานาเนี่ยไอตัวนี้แหละวังให้มันควังแล้วก็ดูเข้าไปข้างในดูเข้าไปข้างในดูเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปมันจะเบิบขึ้นมาเองแหละนั่นเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการขวัง เกิดจากการควังทีนี้ถ้าควังแล้วเอาไปคิดเอาไปคิดแต่กภาวนาภาวนาไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูเอาเอาใช่ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วไม่ใช่กูใช่แล้วนั่นเรียกว่าปัญญาเกิดจากการภาวนาอย่างนั้นภาวนาปัญญาเกิดจากการควังก็ได้ปัญญาเกิดจากการภาวนาก็ได้นี่ ปัญญาเกิดจากความคิดก็ได้มันได้หมดแหลปัญญานี่มันได้หมดดัง น, นั้นนท่านนําไปฟังนําไปพิจารณาแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติด้วยการภาวนาแค่เราก็จะได้ปัญญาที่ละเอียดปัญญาที่ละเอียดแค่ต่อไปจากดูปัญญาก็เกิดตัวปัญญาเองก็เกิดอะไรก็เกิด เกิดเป็นแถวต่อไปมันจะเกิดมาเป็นแถวดังนั้นขอให้ทุกๆคนจงไปเร่งการปฏิบัติของตัวเองนั่นแหละแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละปฏิบัติให้มันต่อเนื่องทํางานอยู่ทํางานอยู่ก็ทํางานไปมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ใช้ธรรมะช่องเข้าไปว่านี่ปัญหานี่มันมาจากไหนเราจะดับมันยังไงอะไรยังไงนี่ทํางานไปพรางปฏิบัติธรรมะไปพราง โยบ้านก็ปฏิบัติก้าววัดก็ปฏิบัติแต่ต้องมีความหนักแน่นจิตใจที่หนักแน่นแล้วก็ทําต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วปัญญามันก็จะเกิด่ขอให้ทุกๆ ท, ท่านจงมีสติปัญญาที่เป็นภาวนาปัญญาแล้วก็จะได้พ้นจากความทุกข์กันจงทุกทุกท่านคือ